เริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษรผู้ใฝ่ธรรมทุกท่ า, ทททานวันนี้เราก็เอามาพบ ก, กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติทานสิงภาวนาใครที่สนใจอยากจะถามคำถามก็เชิญเข้ามาถามได้ถ้าไม่มีคำถามจะดูสายทอดสดในเฟซบุ o กและยูทุกแชนนก็ได้ เพราะบางครั้งอาจจะมีคนเข้ามามากอาจจะเข้ามาไม่ได้แต่ก็ยังสามารถติดตามดูรับชมรับฟังได้ทาง y o u t u b ูหรือทาง a ฟ e b o o k วันนี้เราก็จะเริ่มต้นเช่นเคยกับเด็กชายนะักคุณมาแล้วเปล่านี้อะไรนะักคุณ คะนะนมัสการค่ะพระอาจารย์เพิ่งหลับไปเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะเขาฝากกราบพระอาจารย์แทนค่ะโอเคอค่ะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์มากราบในวันวิสาขบูชาค่ะโอเคปฏิบัติบูชากันวนะภาวานาค่ะปฏิบัติอ่าตัวนี้ก่อนนอนก็ภาวนาะถ้าหน่อยก่อนนะค่ะพระอาจารย์จะพยายามทำให้ได้ทุกคืนที่มัน ไม่ไหวจริงๆมีบางครั้งที่แบบนอนแล้วก็ให้มันสงบไปค่ะพระอาจารย์ไปทําตอนเช้าก็าได้ตื่นเช้าไว้ามาทำํำไก็ได้คะค่ะพระอาจารย์อย่างน้อยวันละสิบนาทียี่สิบนาทีหนูก็พยายามจะเก็บสะสมค่ะอ่าดีกวาไม่มีเลยเก็บตามมาตามหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่มีตามเลยค่ะพระอาจาร ย, าารย์เพราะว่ากิเลสมันมาเร็วไปเร็วมากเลยค่ะมโมหะโทส ะ, ะต้องสกัดมันต้องทำพยายาม ำมันไปเรื่อยๆค่ะบางครั้งก็ควบคุมอยู่บางก็ควบคุมไม่อยู่โอเคค่ะพระอาจารย์กราบนามัสการเจ้าค่ะค่ะอาจารแมกับแจที่กราบนามัสการพระอาจารย์ครับอ่าวันนี้วันวิสาขบูชามีอะไรมารายงานหรือเปล่าตอนนั่งสมาธิทุกวันครับทั่วรวๆเลยครับ แล้วเป็นยังไงรู้สึกนั่งสบายขึ้นมหมเลยนี้ก็สบายขึ้นครับอืมทาไปบ่อยๆเข้ามันก็จะรู้สึกง่ายขึ้นเองนะครับพยายามฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองเหมือนว่านยะน้ะเวลาว่ายใหม่ๆมันก็อาจจะรู้สึกยากแต่พอเราฝึกว่ายไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะง่ายครับอันนี้จะส่งการบ้านใช่ไหมใช่ครับ เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมค้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งบวงเรามีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอนศัยเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวนันกวรนเถิดผลของบุญเป็นยังไงลุงเนี่ยดี ผลงบาปเป็นยังไงรู้ไหมไม่ดีอ่จำบุญแล้วมีความสุขใจนะจ น, นจิตใจสูงขึ้นจากมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดาอันบาปใจก็จะทุกแล้วใจก็จะเลื่อนชั้นลงต่าลงจากมนุษย์ก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นอันนี้คือผลบุญ นอกจากนั้นนะก็ยังเวลามาเกิดก็จะมาเกิดดีนั่นไม่ดีด้วยถ้าทำบาปเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดเกิดไม่ดีเกิดลาบากยากจนถ้าทำบุญลงมาจากสวรรค์ก็มาเกิดดีเกิดร่ำรวยมีความสุขความน่าของบุญที่ทำไว้ อ น, นี้นี่คือผลของบุญของบาตทําไมคนเราที่บาตเกิดจึงไม่เหมือนกันใช่ไหมคนทำงคนบางคนก็รวยบางคนก็จนมันก็บางคนก็สุขสบายบางคนก็ทุกข์ยากลำบากคครรัับบวันนี้แหละทําบุญทําบาตมาไม่เท่ากันแล้วมันเป็นไปตามอำนาจของบุญของบาครับ ต้องระวังอย่าไปทำบาปเจ้าบอกให้ละ บ, บาปให้ทำแต่บุญอโอเคแล้วก็ให้ชำระใจด้วยการพิจารณาร่างกายว่าไม่สวยงามด้วยคําจาเ ก, กิเลรศ<อ>ให้ดูอ า, อาการสาสิสองของร่างกายยืนนี้เห็นไหมเห็นร่างกายของใครแล้วเห็นอาการสาสิสองด้วยไหมยังไม่เห็นเลยฮะเห็นฮะเห็นนะ อเห็นคนที่เราชอบเห็นกระดูก็ไมเห็นกองกระดูก็ไหมเห็นปอดเห็นศับเห็นใจก็ไหมตอนนี้ไม่มีคนชอบครับไม่มีคนชอบเลยเหรอคอบโอเคไม่มีก็แล้วไปอนีอย่าไปชอบใครนนี้สุดชอบเราเดี๋ยวจะเสียใจถ้าเขาไม่ชอบเราเราจะเสียใจครับครบโอเค อาการทางสองของร่างกายมีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้าว <ขอ S 2> หัวใจตับหังพืชไตปอดเส้นใหญ่เส้นน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองสีสะัะน้ำดีน้ำเสลจ น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันน้ก้นน้ำตาน้ำมะเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำืข้ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข้ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมะเหลวน้ำตาน้ำมันน้ก้นน้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสล็ดน้ำดีเแง่สมองฉีดสัตอาหารเก่า อาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตผังผืดตั บ, บ<อ>หัวใจม้ามแกในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมต่อไปต้องนึกถึงภาพมด้วยใช่วล่ะพูดถึงชื่อมันต้องนึกขึ้นมาว่าผมอยู่ตรงไหนขนอยู่ตรงไหนเล็บอยู่ตรงไหนฟันอยู่ตรงไหน ลักษณะเป็นอย่างไรร uh huh. ต้องนึกถึงภาพมันขึ้นมาด้วยก uh huh. ระดูกเป็นอย่างไรเหนโครงกระดูกไหม uh huh. ไม่ใช่แต่ท่องจะชื่ออย่างเดียวต้องชื่อมันน่าต้องรู้จักตัวมันด้วยครับ uh huh. ต้องเห็นตัวมันตัวมันก็คือเนี้ยภาพที่เราน้นขึ้นมาถ้ามองไม่เห็นก็ไปเปิดหนังสือดูหนังสือห uh huh. นาต่อมี่ก็ได้อืม โอเคเข้าใจไหมเข้าใจครับโอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับโอเคแล้วท่านี้กันนะอ่าคราบขออุญพัชรานครับสาธุไปที่ตะวันต่อตะวันจากประเทศฮอร์แลนด์ตัดมาสความพระอาจารย์ครับมีอะไรไหมตะวัน วันนี้ไม่มีคำถามครับอืมขอบคุณแม่ไหมคร่บคุณแม่ไม่มีเจ้าค่ะอาจารย์โอเคถ้ย่งนั้นก็ก็ไปต่อเลยนะจ่าค่ะไปที่บอพิเชนบอพิเชนมรสการพระอาจารย์ครับขอบความเมตตาพระอาจา ร, ราย์ได้อธิบายจิตสงบและจิตนิ่งครับ มันกันเดียวกันนะหมอแล้วมันเป็นภาษาอะไรนี่จิตที่นิ่งก็คือไม่คิดปรุงแต่งเอาไม่นิ่ไม่ไม่ปรุงแต่งมันก็สงบแล้วมันก็เกิดความสงบที่เหนือกว่าความสงบครั้งปวุมมันก็เกิดจากการมีสติคอยควบคุมความคิดให้มันหยุดคิดพอมันหยุดคิดปั๊บมันก็จะนิ่งแล้วก็จะสงบแล้วก็ มีอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่างอื่นให้เห็นให้ดูอยู่กับความว่างอยู่กับถ้ายังมีนิมิตยังมีอายอยู่แสดงว่ายังไม่สมุกบมารองภาวนาต่อไปกดูลมไปหรือพุทโธไปเป่นกจาจิตใรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ นั่นก็จะความสุขก็ที่เกิดจากความสงบอืม น, นี่ก็คือสิ่งที่เราต้องการเพราะถ้าเราได้ความสุขจากความสงบแล้วเราจะทิ้งความสุขทางรูปเสียงกิตลดได้ความสุขทางโลกก็ทำได้เงินทองเข้าของเงินทอยงยศตาแหน่งอะไรต่างนี้มันเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากความสงบนี่มันเหมือนฟ้ากับดิน ต่อไปมันจะไม่สว่างหาลาบยวสารเสริญสุขพยายามที่จะมุ่งไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบความสงบครั้งแรงนี้มันก็เป็นเหมือนเัาได้ดูหลังตัวอย่างแต่มันยังไม่เระต่อเนื่องเป้าหมายก็คือต้องพยายามปึกสตินั่งสมาธิให้มันสงบอย่างต่อเนื่อง เบื้องต้นยาสายความสุขที่เกิดจากความสงบด้วยการใช้สติซึ่งมันก็จะสงบเป็นภาพพักไปช่วงที่เข้าสมาธิมันก็จะสงบออกจากสมาธิมาถ้าเผลอสติปล่อยให้ใจไปคิดเดี๋ยวก็จะเกิดกัรหาความอยากขึ้นมาได้นั้นเบือ้องต้นถ้าเราสมาธิเรายังไม่ชํานาญเวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็จะเรีนสติต่อ ไปควบคุมความคิดอย่างฝ่ายให้มันคิดแล้วพอพร้อมที่จะกลับเข้าไปในสมาธิก็กลับเข้าไปใหม่สลับกันทําำสติกับสมาธิให้มันชํานาญสามารถเข้าออกสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการและสงบได้ง่ายได้เร็วเหมือนคนชํานาญขับรถเนี่ยตอนต้นขับรถนะใหม่ๆก็จะต้องคอยต้องคอยใช้ความ บังครับจะต้องเข้าเกียร์จะต้องอะไรแต่พอฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะชํานาญมันก็จะเป็นอัตโนมัติไปพอเราได้สมาธิชํานาญในสมาธิแล้วขั้นต่อไปเราถึงเวลาออกมาจากสมาธิเราก็มาเจริญปัญญามาพิจารณาใจเราพิจารณาร่างกายเวทนาจิตเอาเทีเตัวร่างกายก่อนปล่อยวางร่างกายให้ได้พิจารณาว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติด เราไปอยากให้มันไม่เทีย่ยมอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นเป็นเป็นของเราพอมันไม่เที่ยงมไม่เป็นของเราเราก็จะทุกข์ขึ้นมาสลับกับการเข้าเข้าไปในสมาธิเพราะการพิจารณาไปสร้างละยะนังจิตมันก็ฟุ้งขึ้นมาได้พ อ, อฟุ้งเราก็ต้องหยุดการพิจารณาแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ในบางทีมันอาจจะเผลไปคิดเรื่องอื่นแทนก็ต้อง หยุดมันก่อนแสดงว่ากำลังสติของเรามีไม่มากพอที่จะกู้ให้มันพิจารณาในแนวของตายแล้วได้เราก็พักเข้าไปพักในจิตก่อนพักสมาธิครับพอพักแล้วออกมาค่อยมาพิจารณาใหม่เลยพิจารณาการสามสิบสองก็ได้ให้มองให้เห็นให้มันทะลุบุบปองเห็นร่างกายของกครก็เห็นหน้าการสามสิบสองขึ้นมาทันที อันนี้เป็นขั้นปัญญาแต่สมาธินี้ก็จาเป็นยังต้องมีทั้งสองขั้นการสมาธิก็ต้องก็ต้องมีสมาธิขั้นปัญญาก็ต้องมีสมาธิสนับสนุนโดยอาศัยสติเป็นตัวหนึ่งใจให้เข้าสู่สมาธิพอใจมีสมาธิก็แสดงว่สติเรามีมีกำลังมากก็สามารถที่จะ สัให้ใจคิดไปในทางปนะัญญาที่ไปในทางไตรลักษได้ธรรมดานมันจะไม่ค่ายไปมันจะไปทางกิเลสชอบไปดูของสวยๆองอาจเราไปหาของที่กินหน้ากินหน้าเลิศอร่อยทางปัญญาเราต้องแจ้ด้วยการพิจารณาสุภาษด้วยพิจารณาปฏิกรูนของอาหารอาหารใหม่อาหารเก่าอาหารใหม่ก็อยู่บนโต๊ะอาหารเก่าก็อยู่ในช่วง กันเดียวกันเปลี่ยนสถานที่นั่นเองพอไปเห็อาหารเก่าเข้าความอยากจะกินมันก็อยากจะกินอาหารมันก็หายไปถ้าเรายังไม่ถึงเวลากินแล้วอยากจะกินขึ้นมาก็ต้องคิดถึงอาหารเก่านี่แหละคือก๋วยเตี๋ยวที่เราคู่กินเข้าไปข้าวผัดที่เราพู่งกินเข้าไปเนี่ยเวลามันออกมามันเป็นรูปร่างอย่างนี้เอเราใช้ปัญญาแก้กิเลส ถ้าไม่มีสติพอจิตไม่สงบถ้าไม่มีสติทำให้จิตสงบมันจะไม่สามารถใช้สติสั่งให้มันคิดทางแล้วทางอัศวะทางปฏิปูณได้เพราะหนึ่งกิเลสมันขยะกขยแยงว่าไม่อยากจะดูไม่อยากไม่อยากจะไปเจนะ่ะแต่ถ้ามีสติมีกำลังมีความสงบแล้วมันก็สามารถสั่งให้มันมาดูสิ่งเหล่านี้ได้พอเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็คลายความกาหนัดยินดีได้ อันนี้จะทําให้จิตสงบอย่างถาวร ด, ด้วยการกําจัดความอยากตัวที่มาสร้างความไม่สงบให้กับใจคราแต่ต้องเปไปสงบของขั้นๆ ข, ของมันไปสงบขั้นปล่อยวางร่างกายได้ก็สงบขั้นหนึ่งเดี๋ยวปล่อยวางเวทนาได้มนก็สงบอีกขั้นหนึ่งมันเป็นขั้นๆไป จะสงบเต็มที่เมื่อมันปล่อยวางอารมณ์ในจิตได้หมดมันก็จะสงบเต็มที่ไม่มีคิดตันหาความอยากมังเนืออยู่ต่อไปแต่ต้องอาศัยการฝึกสติทำใจให้สงบก่อนให้มีความสุขก่อนจากการปฏิบัติแล้วเราจะได้ไม่ไปไปหาความสุขจากทางรูปเสียงกิ่นรสทางราบยศธรรมรสน จะได้พุ่งไปที่การทําใจให้สงบเรื่องารเจริญสติแล้วต่อไปก็เจริญปัญญาเมื่อทําสําเร็จนล้วก็ไม่ต้องทำอะไรต่อไปลองกจาจัดตัวที่มันสร้างความวุ่นวายใจคือความอยากต่างๆให้หมดไปจากได้แล้วก็งานก็หมดงานก็จบลงจิตก็ถ้าเป็นคนไข้ก็อาจจากโรคไัยแค่เจ็บการรักษาร่างกาย รักษาคนไข้ก็ยุติลองปล่อยให้คนไข้กลับบ้านไนดะ้จิตเดินหายจากโรคทุกต่ตางๆนแะล้วโรคทุกที่เกิดจากเชื่อโลกและความอยากนะพ อ, อไม่มีความอยากลรคทุกต่ตางๆก็หมดไปจากใจจิตก็ไม่ต้องทําอะไรต่อไปนอกจากดูแลขั้งไปร่างกายยังไม่อยู่ก็ดเวลมันไปการ ร่างกายมาเป็นเครื่องมือใช้ในการสั่งสอนธรรมะต่อไปอ่านี่เดียวเรื่องของกามสงบความสงบนี้เป็นความสุขสุดยอดความสุขที่เดี๋ยวความสุขทั้งปวดวยังมีสงบอยู่สองระดับสงบแบบชั่วคราวก็คือสมาธิสงบแบบถาวรก็คือปัญญาวิมุตติหลุดพ้นะ ควรตักดีเลยอาจารหาโอเคมอว่าไม่อะไรไหมไม่มีแล้วครับเข้าใจมากขึ้นมากเลยครับอาจารย์ขอบคุณสูงครับวันนี้คนที่ที่ม า, อาอยัางไง ร, รักษาสิเยอะ ว, วันนี้ไม่ได้รักษาครับอาจารย์พอดีช่วงอาทิตย์นี้ไปอบรมเวิร์กช็อปอก็เลยย้อหย่อนไปสักนิดค่ะเดียว อ, อาทิตย์นี้ก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วค่ะอาจารย์อเค ค่ะไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์ท่าขาแข็งแรงนะคะอ่าคุณสาธารณไถนาประพันธ์คำค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติโยค่ะค่ะคุณยศสวัสดีมาตาบลทัชกาศค่ะพระอาจารย์วันนี้ได้กล่าบพระอาจารย์ที่วัดมาครับอ่าจำหน้คนเนี้ยอ ะ, อะไรไม่ไม่ไม่ไม่แน่ใจ เยอะมากค่ะอาจารย์ะอาจารย์ไ hmm. ม่น่าจะเได้ท mm ันมองใครค่ะคนเยอะค่ะพอาจารย์ก็วันนี้ไม่ม yeah. okay. ีคำถามอะไรค่ะแค่ตกใจกับคนที่เยอะมากค่ะหนูก็ไปแอบนั่งอยู่ตามฝาตามซอกตามหลือค่ะอาจารย์คนเยอะดีใจค่ะมีคนมาฟังคาเยอะค่ะพรอาจารย์ค่ะพอาจาขอะอาจารย์สงรงกได้คุณยินดียังไงเดวิดนอนแล้วเหรอ ยังค่ะถ้าอาจารย์กําลังนั่งสมาธิค่ะเพราะวันนี้วันพระค่ะก็ถ้า่ยงเย็นก็ไม่ได้ทานแล้วก็กําลังนั่งสมาธิแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะประกาศท่านอาจารย์เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์โอเคค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะเหมือนวันนี้ในการเจอกันต้องวางทางค่ะท่านจารยีเจอกันอาจารย์พรบิไลเชนเมื่อเช้านี้เพื่อนเป็นฟังฝัก เอาของมาใส่บานให้ใช่ค่ะกับนวัตกรรมพระจันารย์ค่ะคุณลุงกุ้งกําลังมาแล้วค่ะอค่ะเมืม่อวานที่ได้ไปตักบาตรก็เขามีพลังกันกลับบ้านนะคะอืะมาทางไม่มีไม่เคยมีเวลาให้ด้วยไม่เคยม่เวลาได้คุยอะไรค่ะก็ค <c oughs> ุยทางนี้ไ <c oughs> ด้เป็นไรค่ะก็พระจานารย์มันนั้นก็ผู้คนมากมายตกใจเหมือนกันที่เห็นอย่างนี้ตามไป วายอหวันนี้คนส่บานต้องพันหนึ่งพันเกบหกคนโอ้เยอะจังที่น่ากุฏิวันนี้ก็สี่ร้อยกว่าเออสี่ร้อยกว่าวันนี้ก็ได้ได้ฟังได้ฟังทำแล้วก็พยายามวัดว่าเราเนี่ยอยู่บัวระดับไหนบัวสามหลนะพอจะประมาณได้สงสัยสักจากสองจุดห้ารู้ว่ะคะเพราะยังไม่ได้บวชโอ ยังไม่ได้ 2.8 ยังไม่ได้ในขมะยังไม่ได้ปฏิบัติในขมะใช่ใช่ค่ะใช่ถ้าเป็นนัำบวก็ต้องปฏิบัติในขมะถึงสินแปดขึ้นไปค่ะยังเป็นฆราวาสถึอสินห้าทำบุญทำทานภาวนาบ้างตามโอกาสค่ะก็ยังดีปฏิบัติทางจิตเยอะค่ะ ไม่เชื่อเรื่องทางนี้เลยชอบเอาแต่ความสุขทางโลกอย่างเดียวค่ะก็ทําไม่เห็นอะไรเยอะนะคะว่าเราก็มีกลุ่มเพื่อนของเราก็มีกลุ่มเพื่อนเราแค่สามคนที่ก็มุ่งไปทางนี้นะคะที่เหลือก็อก็ยังอยู่ทางโลกอยู่ยแต่ก็สัมพันกันเยอะค่ะืก็ยังดีก็ยังไม่ถึงกับขั้นปฏิเสธเรื่องนโลกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด บางคนนี่ก็ไม่เชื่อเลยวนะ่ยตายตายแล้ว ก, กลับมาเกิดใหม่นี่ครับน้องใครก็ตายแล้วก็ศูนญแล้วเขาดูที่ร่างกายเขาคิดว่าตัวเขาคือร่างกายพร <Okay. S 2> ่างก า, ายตายแล้วใครจะไปรับผ ล, ผลบุญผลบาปต่อไปใครจะไปนรกใครไปสวรรค์นรก <Okay. S 2> นนกสวรรค์อยู่ที่ไหนก็หาไม่เจอถ้าหาในอวากาศในท่งจรวดขึ้นไปสำรวจก็ไม่มีสวรรค์เจาะเข้าไปในใต้น้ำใต้ดินก็ไม่มีนรก ก็เยาจจะทําให้เขาไม่เชื่อเรื่องรา ว, วนี้เกี่ยวเป็นเรื่องงมงายไปบางคนก็มีความเชื่อว่าเออจะไม่มาเกิดอีกแล้วคือสามารถสั่งได้ทํสาสามารถสั่งได้เราก็พยายามแบบไม่ได้พยายา ม, มานะก็เพียงว่าอืมมันไม่เป็นอย่างนั้นลนะูกเนาะไม่ไม่ง่ายอย่างนั้นบางคนมีหลายคนที่จะคิดว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไม่เกิดแล้วขอไว้แล้วคงได้อะไรเงี้ยนะคะโดยไม่ได้ปฏิบัติค่ะโอเคกับกับราชการก้าพเจ้าทาถ่ันแข็งแรงนะคะจ้าสาธุจ้าคุณแม่น้องเล่นพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะได้ยินจ้า ค่ะศาสตราจูตุค่ะอาจารย์ตัวหนูเองเกอ็ยังปฏิบัติไปรเรื่อยๆเจ้าค่ะอาจารย์พอาจารย์คะพอดีหนูสังเกตตอนที่หนูอ่ะกำลังเดินทางไปทํางานปัจจุบันเนี่ยค่ะคือรถเมย์ใช่ไหมเจ้าค่ะทีนี้คือเวลาไปนั่งรถมเมย์ค่ะพอาจารย์หนูจะแบบชอบนั่งสมาธิในรถมเมย์อะค่ะพอดีช่วงนั่งตัวเนี่ยมันจะเลิกเอียงไปคนด้านข้างอย่างค่ะอาจารย์หนูก็บอกว่า หนูก็พยายามบอกตัวเองอะคะ่ะเฮ้ยเราเราหลับหรือเปล่าพผวังหรือปรเปล่าก็พยายามเอาตัวออกก็คือเหมือนเปิดตาเลยนะคะพระอาจารย์แล้วก็หลับแล้วก็เข้าสมาธิเหมือนเดิมแบบหนูก็เลยว่าเฮ้ยหนูก็พยายาตาสว่างนะเราไมา่ได้ง่วงนอนนะคะพยายามพยายามบอกตัวเองอะค่ะพระอาจารย์ว่าสมาธิที่ปฏิบัติทุกวันบนรถเมีก็บอกว่าไม่ได้ง่วงนอนเนี้ยค่ะก็คือแต่ว่าหนูก็เลยแบบเวลาไปทํางานหนูก็มีแต่ ปฏิบัติคือเขาสมาธิในบนรถมีนะคะพระอาจารย์เวลาตัวเอียงก็จะตาเปิดตามาจะตาสว่างนะคะพระอาจารย์แล้วก็นั่งสมาธิใหม่ไปเรื่อยๆะคะ่ะจนไปถึงทางใกล้จะถึงที่ถึงเปิดตาแล้วก็ลงไปทำงานอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ลงไปห้องโรงพยาบาลต่อะคะ่ะแล้วก็ยังติดอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ยังดีงนั่งไปมันจะได้เวลามันจะได้ผ่านไปเลย เหนท่านนั่งลืมตาแล้วเห็นรถติดมันจะทําให้ใจเครียดขึ้นมาได้เหนืไปหนูก็ว่าดีนะคะพระอาจารย์เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่หนูจะป่วยผ่าสมองหนูจะมีปัญหาเกี่ยวกับการกั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่อย่างเงี้ยค่ะพอไล่มารู้แล้ววิธีการก็คือถ้าไม่อยากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบปัสสาวะอุจจารยอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิรถติดนานๆก็เข้าสมาธิอะค่ะพระอาจารย์ก็ ใช้ชีวิตแบบนี้ทุกวันนะคะพระอาจารย์มันก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกมันสนุกไปทุกๆวันอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ในการใช้สมาธิเข้ามาใช้ในการเอเดินทางไปทํางานอย่างเงี้ยค่ะมีธรรมะแล้วใจเย็นใจจะสบายไม่รีบร้อนคนที่รีบร้อนก็เพระไม่มีธรรมะสุกกิเลสความอยากมันคอยกระตุ้นดีแล้วนะทำต่อไปนะ สาธุค่ะ okay. คุณ อ, อ้อมบอวินชนเรลยังมาสกการ์ค่ะผู้จารวันก่อนก็มาฟังเทศที่หน้ากุติใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้วันเกิดเลยเมืเ่อ เ, เช้าเลยฝากปัจจัยฝากผ่านพี่ลาไปค่ะโอเคสาธุมารึงยอย่ากลัวมาเกิดอนะีกเลยนะสาธุค่ะค่ะ <laughs> ไม่มีคําถามคะ <Okay. S 2> ่ะโอเคคุณชานี่ต่อชาี่แบงคบ์กักลับนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้มาร่วมฟังธรรมไม่มีคําถามค่ะโอเคคุณสุภาพตาเท็กซัเหนาตอนที่น่ารู้สึกเหนากลักบนม <ใจ S 2> ัส ก, การนะพระอาจารย์เจ้าค่ะไว้เจ้าค่ะที่เท็กซัสหน้าจะสามสิบกว่าแต่ตอนนี้ลูกมาอยู่ที่ไวโอมิงเจ้าค่ะมัน มาบ้านคุณแม่สามีเจ้าค่ะที่ไวโอมิงติดลบเจออากาศหนาวยังยังหนาวอยู่เลยเจ้าค่ะแต่ที่เท็กซัสนี่ร้อนสุดๆแล้วเจ้าค่ะเริ่มร้อนแล้วเริ่มเหมือนซัมเมอร์แล้วเจ้าค่ะแต่ที่นี่กับกายเป็นเหมือนวินเทอร์หนาวติดลบเจ้าค่ะก็เลยแบบไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาพอเพราะไม่คิดว่าจะจะหนาวเจ้าค่ะ ก็ก็ก็เลยก็ไม่เป็นไรเจ้าค่ะก็อยู่อยู่ไปมีอะไรใส่ได้ก็ใส่ใส่ทับทับกันไปเจ้าค่ะอย่าอย่าไปดือด้อนกันไปก็แล้วกันเจ้าค่ะเจ้าค่ะครั้งนี้เอ่อพวกเราเอารถบ้านมาเจ้าค่ะลากรถบ้านมาก็เลยมาอยู่ในรถบ้านก็เลยสะดวกมีส่วนตัวแล้วก็ได้ได้นั่งสมาธิได้ได้ได้พอมีเวลาเจ้าค่ะจะรู้สึกดี ในรถมีห้องน้ำด้วยนะมีเจ้าค่ะข้างหลังเนี่ยห้องน้ําเจ้าค่ะมีมีห้องน้ําแล้วก็มีมีเอชุดครัวเจ้าค่ะพวกเตาแก๊สอ่างน้ําอะไรอยู่ฝั่งนี้เจ้าค่ะและที่ลูกนั่งก็เป็นแบบโต๊ะโต๊ะแบบกินข้าวแต่เราทําเป็นโต๊ะทางานได้เจ้าค่ะแล้วก็ข้างหลังก็เป็นเตียงนอนก็คือลูกชอบมากไม่รู้มันมีความรู้สึกว่าอออินวันมันมันเล็กแล้วมันก็ แบบความสะอาดง่ายมันสบายเหมือนพาทุ่นนงเลยไปไหนก็ไปได้เลยล่างรถไปเลยเจ้าค่ะแล้วก็เราก็แบบว่าเราก็ซื้อพวกอาหารมาทํากินในรถเลยเจ้าค่ะก็มีหม้อหุงข้าวแล้วก็ทําทุกอย่างในหม้อหุงข้าวเจ้าค่ะมันง่ายง่ายมากลูกชอบชีวิตแบบเนี้ยเจ้าค่ะชทบมากๆเเจ้าค่ะก็เลยทําให้เรากลายเป็นคนที่ว่าพอ ผมไม่อยากได้อะไรแล้วมันเลยเหมือนประหลาดไป น, นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ชินแล้วที่คนเขามองเริ่มชินเจ้าคะ่ะก็แบบนัก บ, บวชนะนักบวชก็เรียนบบ ง, ง่ายกินอยูย่งา่ายกินง<ม>่ายแล้วค่ะลูกเริ่มชินกับสายตาเ ข, ขาพูดแล้วเจ้าคะ่ะที่เขามองว่า<ม>ทําไมเราเราแบบเริ่มไม่อยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะแล้วก็บางทีก็รู้สึกเขามองเหมือนว่าเราขี้เกียจ่ะเจ้าคะ่ะเรา เราชอบนั่งเฉยเฉยเราก็เลยดูการกิดทางโลกแต่เราขยันทาำๆก็ไม่รู้ว่าเราลังทำอะไรอยู่ใช่เจ้าค่ะเขาไม่รู้ว่าข้างในเราพยายามทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะสู้อะไรกันหลายๆอย่างเจ้าค่ะแต่แต่แต่เขามองว่าการอยู่เฉยเฉยทำไมแบบอยู่ได้แบบเหมือนเราไม่ขยันนะเจ้าค่ะก็ก็ไม่เป็นไร งานของแต่ละคนไม่เหมือนกันอเราไม่ไปรบกวนเขาแล้วกันเราไม่ไปขอเงินเาใช้กันแล้วกันเจ้าค่ะโชคลูกโชคดีที่สามีเข้าใจแล้วเขาก็เขาก็บอกเขาสนับสนุนทางนี้เจ้าค่ะเขาสนับสนุนเต็มที่ลูกลูกโชคดีมากๆเจ้าค่ะเขาก็เลยไม่ไม่ไม่ว่าแล้วก็ยินดีให้ลูกอยู่แบบเนี้ยเจ้าค่ะเป็นเพื่อนที่ดีกันเลยานิมินมากเจ้าค่ะเขาบอกว่าเขาอยากให้ลูกได้ ได้สําเร็จเจ้าค่ะก็เขาก็สนับสนุนเต็มที่เจ้าค่ะได้ลูกก็จะพยายามเพื่อเพื่อเขาเพราะว่าที่เขาทุ่มเทให้ขนาดเนี้ยเจ้าค่ะทั้งที่พ่อแม่เขาก็มองเดี๋ยวโกสําเร็จแล้วบายบายอ๋อฉันไปแล้วนะฉันจะไปบุหเี่เขาเขาก็พร้อมวันนั้นเขาก็พูดเหมือนกันเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาอาจจะต้องแบบไปส่งข้าวส่งน้ําให้ลูกที่ป่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเขาก็แต่เขาอดทนกันหลายๆอย่างเจ้าค่ะเขาอดทนกับครอบครัวที่แบบก็บางที ครอบครัวเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมภรรยาเรียนจบมาแล้วไม่ทํางานอะไรอย่างนี้ค่ะทําไมพรรย า, ยามไม่อยากมีลูกทําไมคือเขาก็ก็ก็สงสารเขาเหมือนกันกับเขาก็ต้องอธิบายเขาเจ้าค่ะแับบางทีเขาก็เฉยเลยเจ้าคะ่ะเขาบอกว่าพวกเขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจหรอกแต่ <Swe> e. เราเข้าใจก็พอแล้วอะไรอย่างนี <ants> ้เจ<ๆ>้าค่ะเขาก็ยอมฟังนั่งฟังนั่งฟังนั่งฟังหลายหลายอย่างแต่เขาไม่ค่อยมาบอกลูกอะค่ะเขาไม่อยากให้ลูกคิดมาก เจ้าค่ะแต่ลูกก็เข้าใจเขาเราก็อยู่กันแบบเข้าใจกับขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุดย์ย่ะสาธุดย์เจาะคุณวัลลินเกี่ยวโตเราไม่ได้ไปญี่ปุ่นพระเชลอมมันวิสาขาไหมไม่แถวนี้ไม่มีครับไม่นด้ต้อไปวัดไทยครับแถวนี้ไม่มีวัดไทยครับไม่แต่วัดญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นก็ไม่เชลอมวิสาขะเลงเขา วันเกิดพุทธเจ้าเขากับวันเกิดพุทธเจ้าของเถรวาทเราไม่ตรงกันครับอ่าเหมือนเขามันจะมีวันที่เท่าไหร่มันแบบมันไม่ตรงกันครับครับเหมือนอย่างเช่นอะไรอ่ะวันที่กับวัเดือนมันจะฟิกวันไว้อย่างครับแต่ผมจำไม่ได้วันไหนครับอือก็ก่อนก่อนที่จะเข้าไปซูมนี้ก็ย้อนไปฟังที่หลวงพ่อเทพเมื่อตอนบ่ายครับก็ก็ดีครับก็ ก็ <S 2> <S 2> อะไรนะเรื่องเจ้าที่พอเราเรื่องเจ้าชายปิจิธาตั้งแต่ก่อนบวชที่จริงก็ได้ยินมาเป็นล้านรอบแล้วแต่ว่ามันได้ยินอีกก็ได้ยินทุกครั้งมาตั้งได้ย้ำบ่อยๆไม่งั้นลืมครับอก็รู้สึกว่าเอ๊ะคนธรรมดามันอยากจะร่ําอยากรวยแต่คนที่อยากมีทุกอย่างแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เออเราก็ต้องตามรอยพระเจ้านะแต่ก็ต้องอะไรแบบนี้ก็รู้สึก มีกำลังใจครับส่วนแล้วก็ก็เลยรู้ว่าเมื่อมันมันก็ไม่อยากแก่แต่ว่ามันก็ก็ต้องบอกว่าอ๋อให้มองว่าเป็นเรื่องปกติก็อะไรอย่างนี้ก็พยายามจะรับมือกับความอายุมากขึ้นให้ได้โดยที่ก็ต้องยอมรับมันให้ได้ก็พยายามตรงส่วนนี้อยู่ครับจะรับได้ไม่ได้ก็อยู่ที่สมาธินี่กจิตรวมเป็นอุเบกขาก็รับได้ ครับพยายามฝึกสติฝึกสมาธิบ่อยๆปัญญาเราพ่อังมีแล้วครับมองมองร่างกายเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราถ้ามันไม่เป็นตัวเรามันก็จะโล่งเบาขึ้นนะคนไหนเขาแก่เขาเจ็บก็าตายเราไม่คก็เดือดร้อนใช่ไครับมันไม่ไม่ได้คนอื่นนียครับมันตัวเราเองด้วยเหมือนกันครับนี่อะไรแบบมันดูว่ามันไม่ใช่ตัวเราเลยเราไปเราไปหลงไม่ถือว่าเป็นตัวเราเลย ที่แทมันก็เป็นคนรับใช้เรานั่นเหมือนที่นายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวครับก็คับก็วันนี้ไม่มีอะไรก็มาตรสดีวันวิสาขาก็เขารู้สึกว่าเวลาผ่านไปุกวอะไรแบบนี้ก็ต้องตั้งใจมีตระหนันะครับเร่งเร่งนะเวลามันไม่มีอะไรแน่นอนจะหมดเมื่าไหร่ไม่มีใครรู้นะครับเหมือนเมื่อวานก็วันเกิดคุณยายผมกับ91แล้วครับก็ตอนนี้ก็ ติดเปลียงไปแล้วครับผลวงพอติดเปลียง<ม>ด้วยแล้วก็เหมือนแบบไม่พูดแล้วครับเป็นการปัดฉิมไวแล้วครับปัดฉิมแบบถ้าจะ<ม>โค้สุดท้ายของชีวิตแล้วครับเหมือนใจไปแล้วแต่ ย, ยังยังหายใจอยู่ได้ก็ก็คืออัลไซเมอร์เป็นอยู่แล้วครับแต่ทีนี้ก็เหมือนแบบเกิดเกิดแบบอุแบบัแบบติเหตุนิดหน่อยทําให้เดินไม่ได้ก็เลยแบบ<ม>แต่ก็ไม่ใช่ผักนะครับแล้วก็แค่ไม่พูดไม่พูดแล้วก็แต่รับรับรู้อยู่นะครับแต่ไม่พูดก็ ไม่รู้เหมือนกันครับพยายามน้อมกลับมาที่ตัวเราต่อไปนั่กนกายเราถ้าอยู่ถึงเวลานั้นก็เหมือนกันนหะครับใช่ครับก็จะได้รีสึกส ต, ติแต่วันนี้พอถึงเวลานั้นดูวฝึกไม่ได้ยังไงก็ฝึกไม่ได้อโอเคนะครับขอบพระคุณมากครั บ, ค, รบคุณอ่อคุณหมอพระสนามากลับนมัสการค่ะพระอาจารย์ ค่ะขอพอบคุณพระอาจารย์มากเลยนะคะเมื่อสุดที่แล้วก็ไปตรวจตาอีกแล้วแต่ว่าที่พระอาจารย์สั่งสอนมาค่ะก็มันทําให้เราเอเข้าใจแล้วก็เห็นนะคะว่าตามไม่ใช่ของเราแล้วก็เป็นอนัตตาแล้วก็แสงเป็นเป็นอนัตตาก็คราวนี้ตรวจก็คือแบบสบายๆพระอาจารย์ไม่มีความรู้สึกอะไรก็คือผ่านไปได้แล้วก็พอออกมาก็เห็นคนไข้แยะคือสมัยก่อนอยู่โรงพยาบาลไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะคะก็มันเหมือนกับว่าเราเราเป็นหมอเรารักษาเราไม่ได้ป่วยแต่ว่าตอนเนี้ยมันคือเห็นเลยว่ามันเหมือนกัน ตือเห็นแบบเออมันรู้สึกความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมตอนที่ตอนนู้น่ะครัอาจารย์เห็นเพื่อนเพื่อนเกิดแกเจ็บตายใช่ไหมบใช่พระอาจารย์พูดแบบอยู e. ่ในใจเลยฮะพระอาจารย์ทราบได้ไคือเห็นแล้วว่ามันเป็นเหมือนกันพระอาจารย์แล้วก็ทำยไงนะคะทุกคนเป็นเพื่อนกิดแกเจ็บตายค่ะเห็น เห็นเลยว่าเหมือนกันเลยเพระอาจารย์ไม่มีหมองมีคนไข้เป็นเหมือนกันตัวไหก่อนไม่เข้าใจนะพระอาจารย์ห้าสิบปียางนี้ไปก็หายไม่หมดนะ้ะส่วนใหญ่ก็จะหายาจากไปไม่หมดนะค่ะ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่แบบขนลุกเลยอ่ะพระอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์จะไปเไปเยี่ยมลูกที่โคราชใช่ไหมคะก็ไปเปิดปกติฉันไปจะพาจะพคุณพ่อไปด้วยปกติเราจะไปเที่ยวแต่คราวนี้ก็รู้สึกบอกคุณพ่อว่าในไหนไปโคราชก็ไปหาพระปฏิบัติคือแถวแถวโน้นแล้ว ก, ก, ก, กันก็เลยไปเปิด Google ดูก็เจอหลวงพ่อสามดงค่ะก็ยังคิดด้ว ย, ยจะไปหาท่านเพราะว่าเป็นหลงตามหาบัวใช่ไหมคะประากฏว่าท่านมาเมส่วนแสงธรรมพระอาจารย์ก็เลยไปใส่บาทท่านโชคดีมา้ ก็เลยเจอท่านแล้วก็ได้ถามท่านว่าท่านจะอยู่วัดไหมท่านก็เลยบอกว่าอยู่วบนหังคาโชคดีเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยเดี๋ยวไปฟังเทศท่านแล้วก็ไปแบบหลวงพ่อสามดงค่ะพระอาจารย์ที่ที่อยู่ตรงนั้โชคดีมากเลยพระอาจารย์เดี๋ยวจะไปอาทิตย์เนี้ยค่ะไปจะได้ไปดูวัดท่านด้วยโชคดีเลยพระอาารกับว่าอยากไแล้วก็โผล่ขึ้นมาเองเลยว่าเออแบบรู้สึกแบบเราจะมีทีไปปฏิบัติอีกที่หนึ่งได้นะใช่ใช่ค่ะน่าจะเพราะว่าท่านหลวงพ่อท่านอันปรวัติท่านนะคะไปเสิร์ชกูเกิลแล้วก็ดูประวัติท่านด้วย คือท่านก็จะเป็นนักปฏิบัติที่แบบออกไปปฏิบัติแล้วก็กลับมาถามคำถามพระรงองค์ต้งมาหาบัวใช่ไหมคะก็เลยลองดูค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยนะคะรู้สึกเลยว่าแบบใจมันสงบแล้วก็ดีมากๆแบบดีขึ้นเรื่อยๆพระอาจารย์จะตั้งใจทำไปเรื่อยๆโอเคดูคุณเอกเชียงายคุณเอกวันนี้ยาในสัตย์ที่ก็บอกการนมัสการพระอาจารย์ครับวันนี้วันนี้ตั้งกายยังไม่มพร้อมครับพระอาจารย์ครับ เออร่างกายไม่พร้ อ, อามมครับเพราะว่าใชครับผมไม่พร้อมก็ว่ า, ออาผ่น ไ, <อ>ไปก่อนผ่านไปก่อนครับแต่ก็แต่ก็ปฏิบัติอยู่ทุกทุกวันนะครับพระอาจารย์บุกข่ําแล้วก็ตอนเช้าก็ปฏิบัติทุกวันที่พระอาจารย์ได้สั่งสอนไว้ครับเหมือนปฏิบัติเหมือนกับเรากินข้าวอย่เงี้ยครับพระอาจารย์ก็ทําเหมือนที่พระอาจารย์ได้สอนไว้ครับใช้เวลาก็ต้องทํำจะอย่างอยากไม่ไม่อยากก็ต้องทําให้เต็มที่มนเป็นนิสัยไปทำครับผม ก็มันถ้าเกิดคืนไหนมันมันเพียมันอ่อนนี้ก็ก็พยายามฝืนฝืนนั่งไว้ครับพระอาจารย์แล้วนอนไปก็ได้นอนทําไปก็ได้ถ้ามันอ่อนเพียก็นอนทําสมาธิไปก็ได้ครับแต่แต่ถ้านอนหลับมันมันมันจะเร็วครับผมเคยลองแล้วครับประมาณผมว่าพุ้โธรหนึ่งผูโธรสองถ้าไปถึงสิบนอนตะแขงขวาด้วยนอนตะแขงขวาถ้าเสียสายญาติหนึ่งครับ แต่แต่ผมผมานอนนง่ายนอนง่าย น, นั บ, น, บนับไปถึงสิบบางทีไม่ถึงก็หลับแล้วครับพระอาจารย์แต่ถ้านนแข็ ง, ง แ, แข็งมันอาจจะไม่ไม่สบายเหมือนกันนอนนอนง่ายอยู่ท่าพระพระพระท่านนอนในท่าเสีาสายอาศัยานยาวสอน้ายนอนในท่าเสียสา ย, ยานมันมีสติเวลาหลับก็จะหลับไม่นานนะมันก็จะเตือนขึ้นมาเร็วเวลเตือนก็จะมีสติ ท, ทันทีโอ้สาม ทำเดตุเยอะเอาเป็นลองปฏิบัติดูครับพระอาจารย์ทำครับหมือนจริงในกรณีที่นั่งไม่ไม่ไหวนะจะนั่งไหวก็เอานั่งได้บ้างท่านนอนครัแต่ส่วนใหญ่ก็จะนั่งนะครับแต่ถ้าถ้านั่งขั้นสมาธิไม่ได้จริงๆก็นั่งตรงตรงขอบเตียงนะครับพระอาจารย์ก็ก็ได้อยู่ครับก็ก็เบาอยู่ฮะโล่งเบาอยู่ครับก็นิ่งนิ่งยู่เหมือนกันครับดีโอเคไม่มีอะไรนะ ไม่มีครับวันนี้เข้ามาร่วมนักฟังกับอาจารย์อนนขอท่ า, ายฐานพระจํำแข็งแรงครับผ ม, มครับสาธุครับรู้สุกทุกคนยอดค่อนข้างจะรู้หมดแล้ววิธีว่าจะต้องปฏิบัติยังไงคำถามหนึงไม่ค่อยมีกันครับผมอวันที่เป็นนาฬิกานาฬิกาว่านรฬิกากลาบน้มันสการเยุภาพอาการวันนี้ได้ไปวัดที่สุขลินมาเจา้าค่ะอาจารย์แล้วก็ การปฏิบัตินั้นก็ปฏิบัติอยู่นะคะแต่ว่ามันมั น, มนพอได้ไปฟังทำแล้วค่ะอาจารย์ในความรู้สึกว่าเออนะเราก็ทําได้แต่พอปฏิบัติจริงๆบางครั้งเรามีความมีความอย า, อยากอยู่ตรงนั้นทําให้เราตก เ, เครียดเกิดกังเกงขึ้นมาแล้วอาจารย์ว่าเออทําไมหนอเราไม่ทําให้ได้ลักษณะอย่างนี้ก็ก็ก็พยายามอยู่นะคะพยายามที่จะทําในขณะที่ว่าทํา โน่นนี่นั่นก็เลยรเหมือนหรือว่าซักผ้าเ อ, อ่ยกวาดบ้านกวาดอะไร ก, ก็พยายามจีตอนนี้มันก็เริ่มจติตเป็นนิสัยแล้วเจ้าค่ะอาจารย์ก็ทำอะไรก็ทำให้มีสติไปด้วยก็จะถือว่าเป็นการปฏิบัติทำไปในตัวเจ้าค่ะรูกไม่มีคำถามแล้วเนะี่ยเจ้าค่ะโอเคเป็น<ช>ไปเลยคุณนิสาต่อเอ เกี่บนวัสนการค่ะพระอาจารย์ค่ะเมื่อเช้าได้ดูพระอาจารย์บินทบาทลายสดด้วยค่ะพระอาจารย์คนเยอะมากเลยนะคะพระอาจารย์แล้วก็ขนตกชุ่มฉ่าเลยค่ะพระอาจารย์ตรงนี้นอนปล่อยๆตอนปลายค่ะคนเยอะมากจนค่ะพรมน้ำมนตเห็นพระอาจารย์ไม่มีไม่ได้ปิดฝาบานเลยค่ะเปิดตลอดรู้สึกปลื้มใจค่ะพระอาจารย์ ตอนนี้ลูกก็มีสติอะค่ะมีสติดีขึ้นมากๆค่ะพระอาจารย์กลับมาเกือบจะเหมือนเดิมแล้วค่ะะอาจารย์ก็ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในโหมดเก็บของเก็บของค่ะพระอาจารย์คือมันมีแบบของที่ต้องแบบไปไปกูดวิลพวกแบบด onation center แล้วก็แบบมีของที่แบบอย่างเช่นแบบของที่แบบมีค่าที่หนึ่อย่างเช่นแบบพวกกระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ บางทีลูกคิดว่าแบบเออลูกเอาไปให้เพื่อนหรือเอาไปให้คนรู้จักอย่างเงี้ยค่ะแล้วหรือว่าเอาไปเอาไปแบบมันจะมีที่ที่แบบเขาให้ไปขายได้เงี้ยค่ะาจาันจริงจริงการที่เราแบบจะจะบริจาคคือไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยกับการที่เราคิดว่าเราจะไปขายแล้วเอาเงินมาไปไปบริจาคแบบเหมือนก็เอาไปทําบุญอีกทีหนึ่งจริงๆมันเป็นกิเลสใช่ไหมคะพาาราชาเราควรจะตัดไปเลย อย่างเนี้ค่ะพระอาจารย์ใจ ม, มันยังคิดอยู่อะค่ะอก็ไม่เป็นชีเลตถ้าตามได้เราไม่ได้เอาเงินที่เราไปขายเอามาใช้มาเก็บเอาไว้แล้วก็ไปทําทำบุญต่อทำทานต่อก็ได้เหมือนกันอ๋ <c oughs> อค่ะพระอาจารย์คือบางทีแบบเราก็คิดเยอะอะค่ะเพราะแต่จริงๆเราไม่ควรจะคิดเยอะใช่ไหมคะคือในสิ่งที่เราไม่ไม่ต้องการเราก็ให้ไปเลยอะไรอย่างนี้แต่เราชอบไปคิดว่าเออมันเป็นของมีค่าถ้าเราเอาไปขาย คือเอาไปขายอย่างเงี้ยค่ะเราก็เก็บเงินไว้เอาไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีเป้าหมายของการทําบุญไม่ใช่เก็บไว้ไปทําบุญเลยไม่ได้ทำทันที <laughs> มันต้อง <Okay. S 2> เอาขายปบได้เงินมาปุป๊บก็เอาไปเลยมีเป้าหมายที่จะเอาไปให้ที่ไหนก็เอาไปให้เลย ค่ะจานลูกก็ว่าเออเราคิดเดยอะไปแล้วมันจะเป็นกินเลสหรือเปล่ารู้สึกคิดเออหรือว่าเราจรงทีเราของนี่ไปให้ที่วัดเขาไม่ได้แต่ที่วัดเขาต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรอ่าใ ช, ใช่ลูกก็คิดอย่างนั้นแล้ว่าขายขายของได้แล้วก็เอาเงินที่ขายของนี่ไปถวายวัดเป็นค่าน้ำานํำค่าไฟหรือค่านี้สงเวยไปก็ได้ค่ะว่าใช่คือพอดีแบบบางทีพวกกระเป๋าอะไรเงี้ยเพราะแบบรู้ไม่อยากได้แล้วคือไม่อยากได้แล้วก็คือแบบ เอ้ถ้าเกิดเอาไป굿บิลอย่างเงี้ยมันมันเราคิดว่าเออถ้าเกิดเราไปขายแล้วเอาเงินมามันได้มันจะได้มากกว่านะัมแต่พวกกระเป๋ากระป๋ามันดาจะเป็นของของฟุ่มเฟือยให้ไปมันก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์กับคนคันยากจนนี่เขรับไปเท่าไหร่เราเขามันยาวันไปไม่รู้เอากระเป๋าไปใส่อะไรก็ไม่มีอะไใส่ค่ะอาจารย์ก็เลยช่วงนี้ก็เลยถ้าเราไปขายเราไปขายได้เอาเงินไปบริจาคได้ก็โอเค ก็จะได้รับประโยชน์มากกว่าอ่าค่ะค่ะ ก, ก็ไม่มีอะไรค่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงโหมดของการเก็บของค่ะพะจนันทร์การได้อยากเก็บเงินที่เราขายไว้ก็แล้วกันขายแล้วก็ต้องเอาไปทำบุญทำทานอะลรให้มันหมดค่ะไม่ค่ะลูกตั้งใจ ต, งตั้งติดอธิษฐานตั้งใจไว้แล้วค่ะว่าคือของที่มันเป็นพวกกระเป๋าเป็นพวกที่ของมีค่ารู้ว่าตู้จะขาดนยคะพะอาจาร์ แล้วก็เอาเงินไปทําบุญค่ะอาจารย์อเหรือถ้าเราจําเป็นจะต้องเก็บไว้ก็เก็บไว้ได้ถ้าเรายังคิดว่าอาจจะต้องอาศัยเงินก้อนนี้อยู่ก็เก็บไว้ได้มันไม่เสียหายอะไรเพียงแต่จะไม่ได้บุญได้เลยค่ะอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะอาจารย์ก็เก็บไปเก็บไปนนแล้ว ก, กว็เอาความสุขจากการบำเพ็ญง า, านดีกว่าเนะค่ะค่ะเก็บไปแล้วก็ มีสติไปค่ะพระอาจารย์แล้วก็ ม, มีอาจจะมีฟุ้งบ้างค่ะพระอาจารย์ก็<ม>คิดว่าแบบเอทําไมเราซื้อมาทําไมอะไรค่ะพระอาจารย์เมื่อกีเอ้เลยมันหลอ่อไงเห็นแล้วก็สวยเห็นแล้วก็ชอบอยากได้ค่ะแล้ว<ม>ของแบบเยอะมากค่ะเพราะว่าจะก่อนมีร้านนี่ก็คือแบบตอนนั้นก็ยังแบบคิดว่าจะปิดเปิดร้านอีกค่ะพระอาจารย์<ม>ก็เก็บอีกค่ะแทนที่<ม>จะให้แบบเหมือนกับจริงๆเราให้ คนที่เขาเคยมีร้านซื้อซื้อร้านเราไปก็ได้แต่ว่าเราก็แบบบางอย่างเราก็อยากจะเก็บไว้เผื่อจะเปิดร้านอีกค่ะพระอาจารย์แต่สุดท้ายก็พอพอมาพอตอนหลังก็ไม่เอาแล้วก็เนี่ยต้องบริจาคเยอะมากเลยค่ะกลายเป็นกลายเป็นทุกข์เข้าไปอีกค่ะต้องไปบริจาค <laughs> บางอย่างที่กู๊ดวิลท์เก็ไม่เอานะคะค่ะโอเคค่ะก็ไม่ดีละค่ะพระอาจารย์ ปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะอาจารย์รักษาธาตุชั้นะคะอ่าอ่าคุณจะบัติยาวันนี้ก็มาฟังเท้นเกน่กกานมรสา์พระอาจารย์เจ้าค่ะก็ฟังถามพระอาจารย์แล้วก็เอามาเรียนมาเรียนแล้วก็มาปฏิบัติเจ้าค่ะอ น, นึกถึงเทงวทูตี่ บ, บ่อยๆนะมันจะทําให้เกิดเกิดปัญญาเกิดความอความคิดที่อยากจะ และอะไรต่างๆไปแต่เอาความสงบดีกว่าความสงบเท่านั้นที่จะทําให้เราไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเจ้าค่ะก็เห็นเห็นคุณแม่ป่วยแล้วก็เอ่อมันไม่ได้บอกเราล่วงหน้าแล้วก็เป็นกระทานหาันแล้วก็เป็นแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้เป็นมากนะคะเพียงกับว่าเรามอง<ร>ว่ามันมันจะเป็นโดยที่เราไม่ได้คาดการถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวมันก็จะยอมไม่ได้ะคะ่ะ แต่ก็ได้ที่เรียนกับผอาจารยนมาก็ทําให้เรายอมรับอาการของแม่ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ไม่เครียดแล้วแม่ก็ไม่เครียดด้วยเจ้าค่ะอืมเนาค่ะทําทให้ไม่ไม่กังวลถ้าพูดถ้าพูดจะบอกว่าไม่ทุกข์ก็ก็อะไรก็พยายามไม่ทุกข์เจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้ร่า ง, งกายที่มันเป็นมันก็ไม่ทุกข์นะร่างกายมันก็เฉย ไ, ได้เป็นประทุกแทนร่างกายเนาค่ะแม่เขาก็ไม่แม่เขาไม่ได้กังวลนะคะแม่แม่ไม่ได้กังวลเลยเจ้าขาอาจารย์เพียงแต่ว่าเราเองมองว่าแม่จะเป็นนู่นจะเป็นนี่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็เลยกังวลแต่ก็พยายามวางใจให้ให้ได้มากเจ้าค่ะอาจารย์อืีว่วางให้วางเฉยให้ได้บเบรคขาเนาะบเบกขาเจ้าค่ะ ก็ก็ว่างตอนนี้ถ้าถ้าถ้าโยอมยมฝึกอยู่อันนี้เรพูดเหมือนกับว่าวางด้วยสติใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เราอย่างนันทั้งนี้ฉะนันเป็นใจแล้ว ก, ก็เป็นปัญญาไปด้วยเจ้าค่ะาะอพอถึงพอถึงเวลาแล้วมันมันต้องเป็นยอมว่ามันเป็นด้วยด้วยความที่บังคับ ป, ปัญญาเป็นหน้าตาเจ้าค่ะนิจามหน้าค่ะทุกเพราะเปัญญาให้มันไม่เป็น พอเรายังปล่อยให้มันเป็นเราก็ไม่ทุกข์เจ้าค่ะก็ก็ถือว่าลดความอยากได้ลดละความอยากตรงนี้ได้ถ้าไม่เจ้าค่ะถ้าไม่ทุกข์ก็ลดได้ถ้ายังทุกข์อยู่ก็ยังลดไม่ได้เจ้าค่ะก็ขอขอบคุณพระอาจารย์ต้องมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ร่างกายคนอื่นยังไม่เท่าไหร่ต้องถึงเวลาร่างกายเราถึงจะถึงจะเจอข้อสอบจริงวะเป็นยังไง เจ้าค่ะพยายามพยายามก็อถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนกับฝึกพ่อยาติพ่อโ ย, ายามเคยเคยป่วยมาแล้วคร mm hmm. ั้งหนึ่งเจ้าค mm ่ะ hmm. พระอาจารย์ตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเราเราเราจะบอกว่ายอมตายสัทีเดียวมันก็ไม่ใช่เพราะว่าไม่คิดว่ามันมันจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะไม่รู้ว่าเป็นมากเ mm hmm. จา้าค่ะตอนนั้น mm hmm. เป็นเป็นติดเชื้อในกระแสะเลือดติดเชื้อแบคทีเรีย mm hmm. หมอว่าเป็นดูแรงแต่ตัวโยมไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทราบอาการ มาทราบทีหลังถึงตกใจเจ้าค่ะอาจารย์อตอนนี้ก็เลยพยายามเป็นอะไรก็เป็นอย่างที่พระอาจารย์สอนใช่ไหมคะเรห้ามันไม่ได้นะเจ้ค่ะห้ามไม่ได้นะคะอาจารย์มันต้องอทำใจอย่างเดียวเจ้ค่ะยิ่งมาเห็นโยมแม่ก็ทำใจทั้งตัวเองแล้วก็ยักทำใจกับโยมแม่ไปด้วยเจ้าค่ะอาจารย์ดีเงี้ยมีโอกาสได้ทำกันบ้านไปก่อนเดี๋ยวจะทำข้ อ, อสอบต่อไปได้ เจ้าค่ะเจ้าค่ะโ <Okay. S 2> อเคเยเจ้าค่ะที่ยันดาสายทิมขอนแก่นกับนับกศรการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ขอนแก่นเจ้าค่ ะ, ะเป็นยังไงบ้างการปฏิบัติ <laughs> ยัน ย, น, <laughs> ยนยอนค่ะ <laughs> ยอนแล้วสินหกค่ะพระอาจารย์ <laughs> ยังดู y o u t u ู e แล้วก็ เอ อ, อกนินค่ะแต่ว่านอนนอนพื้นนอ น, น, อนที่นอนแข็งนี้ไม่มีปัญหานอนปเป็นปกติค่ะแต่ตอนนี้กำลังวางแผนสร้างบ้านสวนที่จะไปปฏิบัติธรรมค่ะพระอาจารย์น่าจะประมาณต้นปีหน้าที่จะได้ไปอยู่คนเดียวได้ค่ะคุณพ่อกำลังเขียนแปลนให้ค่ะพระอาจารย์ ก็มอีอยู่หลังหรืแล้วไม่ใช่ที่อยู่อันนี้อยู่ติดบ้านไอ้ที่อยู่อันนี้อยู่หลังบ้านมีมีที่เป็นบ้านไม้ไผ่แต่ว่ามันติดบ้านคนแล้วเขามาทําครัวติดติดกับนี่เลยค่ะก็เล ย, ยไมไ่กินอาหารทั้งกิน อ, อาหารทั้งเสียงเขามาแขวนพวกกระทงกระท ะ, ะคุยกันเสียงดังแล้วก็โอ้เหมือนเขาเพิ่งมาสร้างบ้านใหม่ด้วยค่ะพระอาจารย์แล้วกลายเป็นวัดเขาเอาของมาวางไว้ติดกับตรงนี้ไอ้ที่ที่เราเ ไอ้กระต๊อบน้อยนี้ไปไว้เลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วก็ดูแลไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยดังเสียงดังกว่าอยู่ห้องนอนอีกค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่ไปอยู่แต่ว่าปีหน้าค่ะพระอาจารย์ก็ก็คิดว่าน่าจะได้สร้างแล้วก็ออกไปอยู่ตรงนั้นเป็นส่วนใหญ่ค่ะก็หวังว่าคงจะไม่มีปัญหาเหมือนใครจะย้ายตามหรือเปล่า ก็ตอนนี้ก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วก็รักษาใจอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าร่างกายอาจจะเหมือนมันมันปรับในช่วงช่วงวัยที่อายุเยอะด้วยค่ะพระอาจารย์เหมือนร่างกายมันละละ้าค่ะแต่ก็พยายามมานั่งสมาธิอยู่ค่ะพยายามทำให้มากนะเพราะต่อไปมันจะยากลงยากลงไปเรื่อยเร่ยร่างกายเรากลังวัางชาจะลดน้อยถอยลงไปนี่ นี่ก็เหมือนเป็นเป็นบทเรียนแบบประคัดเราไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์รู้สึกเจ็บแล้วก็เมื่อยเหมือนร่างกายมันอ่อนเพลียง่ายกว่าเดิมเยอะเลยคะ่ะพระอาจารย์ใช่มันเลยทําให้เราไม่อยากจะปฏิบัติมากขึ้นด้วยอือเหมือนก็เป็นข้ออ้างเราไปดูว่าไหนไหนนักสู้กีฬาเนี่ยนักมาสู้กับคันด้วยสู้กับร่างกายอืมถ้าเราไม่ตั้งสัจดิก็จะเหลวเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้าอย่างนั้น ทั้งสัจจะทั้งทั้งความเพียรด้วยทั้งสัจจะเราไม่ทำมันก็เวลาผลอยู่ในอค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวหนูจะพยายามเอ่ออาทิตย์ที่แล้วที่พูดถึงเรื่องเวลามีน้อยลงทุกทีหลังจากนั้นไม่นานค่ะพระอาจารย์ด่านชายเอ่อลูกของลูกพี่ลูกน้องค่ะประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิตแล้วก็อ๋อแล้วเป็นลูกชายเดียวของของพี่เขาด้วยค่ะพระอาจารย์แล้วก็เห็นแล้วออไม่มีอะไรเที่ยงแท้อะไรจริงๆค่ะพระอาจารย์แล้วเขาก็เสียชีวิตไปกําลังเป็นกําลังสําคัญของที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลูกชายเดียวแล้วก็เออแต่งงานมีลูกก็ไม่ได้แปลว่าจะมีลูกอยู่กับเราตลอดหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็ยิ่งเห็นความไม่เที่ยงมากๆเลยค่ะพระอาจารย์เอามาสอนใจเราได้เยอะเลยทีเดียวค่ะ พระเจ้าอย่าประมาทอย่า ร, รีบรีบทำกิจที่เพิ่งกระทำให้ให้พร้อมอจริงๆเราไม่ควรมีข้ออ้างรอบ้านไหนเลยนะคะพระอาจารย์ก็ทำไปทำรอไปค่ะหนูตั้งใจมากขึ้นค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้ไม่มีคำถามค่ะเียนก็มากขึ้นนะจากหกหเป็นแมีแปดบ้าง้หรือมีแค่หกัาเรื่อยๆ อ่าช่วงนี้มีมีแผดบ้างแต่น้อยค่ะพระอาจารย์อยวอาทิตย์หน้ารายงานค่ะ okay, สาธุาค่ะคุณแนนต่อคุณแนอนอนุดรยังไม่ได้เปิดไมค์น สงสัยเน็ตใช่ไหมะการน้มาสการนะครับอาจารย์ไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคไปที่คุณโอต่อโอพีเคผูเก้นน้ำก่านนมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะได้เย็นได้เย็นวันนี้ลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะเข้ามาชาร์แบตเจ้าค่ะอาจารย์อืมโอเคไปที่คุนตายต่อแต่เธอใช่ไหมตายพทัทยา วันนี้วันอะไรวันพระสิบแปดหรือเปล่าสิแปดค่ะพระอาจารย์มีพระที่แล้วที่ไม่ได้สิบแปดค่ะไปเที่ยวพาพี่สาวไปเที่ยวค่ก็ก็มีสตินะคะพระอาจารย์จากแต่ถึงไม่ได้นั่งทํามาธิแต่ก็มีสติอยู่ตลอดค่ะ อ, อย่างไปเที่ยวเดี๋ <laughs> ยวจะเล่าให้ฟังสติอยู่การไปเที่ยว ไอใช่ใชยอมไปเทีย่ยวไงค่ะแล้วไปช้อปปิ้งใช่ไหมคะ <S <S <ๆ S 1> ยอมก็ไปเลือกเลือกของมาใส่เต็มตะกร้าเลยแล้วเลือกเลือกไปก็คิดว่าจะซื้อนะคะพรอาจาย์แต่คิดไปคิดมาเดินวนไปสักสองรอบก็ว่าซื้อไปทําไมก็มีอยู่แล้วมีมีอยู่ที่บ้านแล้วซื้อไปก็ไม่ได้ใช้อยู่ดียอมก็เดินขอชอบเสร็จเดินหยิบไปเก็บที่เดิมพระอาจารย์ก็ไม่ได้อะไรปิดไม้ปิดมือมาเหมือนเดิม ก็รล้สึกว่าตัวเอ ง, งเป็นเช่นใช่ค่ะพอาจารย์ค่ะแล้ที่ไปนี่ก็พาพาหลานกับพี่สาวไปเทีเท่ยวเฉยๆยมถ้ายมไม่ไปด้วยนี่เขาก็เขาก็ไม่กล้าที่จะไปยมก็พาเขาไปหลานชายก็ไปเที่ยวเป็นครั้งแรกอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์ยมก็เลยพาเขาไปก็ไม่อยากไปเท่าไหร่หรอกค่ะพระอาจารย์ ก็ยังอยู่ทางโลกอยู่ก็ต้องต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนนะก็ต้องค่ะแต่ก็แต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะมากๆเลยคะ่ะพระอาจารย์คำสอนของพระอาจารย์นี่เข้ามาเป็นแบบระยะระย ะ, ระยะถ้าเราจะทำผิดหรือทำอะไรอย่างไปดื่มไปสังสรรค์ตอนกลางคืนถ้าระหว่างแบบ เจอเจอแบบเพื่อนรุ่นเก่าๆที่เข้าไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะพ อ, อาจารย์เขาก็บอกมาสิมาสิไม่เป็นไรล้วก็บอกไม่ ai, เลิกแล้วเลิกแล้วเลิกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยเชื่อกันแต่ว่า<ม>ตลอดที่พีโยมก็ไม่ได้ดื่มเลยไม่ได้ทําอะไรที่มันแบบผิดศ<ม>ีลผิดธรรมหรือว่าอะไรเลยก็จะ<ม>สนมาก็จะอยู่เงียบๆก็ถึงเวลาเข้าที่พักโยมก็พักเลย พักเลยอยู่กับตัวเองไปเลยกลย็ไม่ได้ไปสังสรรค์อะไรเนี่ยค่ะก็เห็นก<ด>็ก<ด>้าวหน้าก้าวหน้ากว่าเดิมใช่ค่ะพระอาจารย์ยมก็คิดว่ายมก้าวหน้ า, าแต่ก็ก ย, ย, ยังแต่ก็ยังหย่อนยังหย่อนที่จะนั่งสมาธิอยู่ค่ะอาจารย์เพราะว่ามันม่วงมันเพียก็เลยว่าเดี๋ยวอีกสักสักระยะหนึ่งถ้ามีเวลาก็จะไปชาร์จแบบเยอะ บนเขามั่งหรือว่าที่บ้านตัวเองมั่งอะไรเงี้ยพ่อาจารย์อืว่าคิดไว้แต่ก็แต่ก็กลัวอีกกลัวไม่ได้ทําผิดเพราะว่าลูกน้องก็ไม่มีลูกน้องก็ออกโอ้ยคนทํางานหายากมากเลยจะมาแทนเรานี่มันยากอค่ะพ่อจารย์แต่ก็พยายามอยู่ค่ะโอเคนะคะวันนี้รายงานแค่นี้ค่ะมาเยี่ยมนี้ไหนคำชมเร็จนี้ท่านนะนะคะพ่อาจาันขอบคุณค่ะ คุณยิบ่อยิมาเื่อไรน่ะอย า, านมัสการค่ะพระอาจารย์ทำงานพอพระอาจารย์สบายดีนะเจ้าค่ะสบายดีค่ ะ, ะวันนี้ไม่มีคำเต๊ะหรือจะมีคำถามหรือเดียวค่ะคือได้ยินบางคนเขาบอกเขาเน่งสมาธิจนนิ่งนิ่งนิ่งมากเขารู้สึกว่าเขาไปไหนต่อไม่ได้เขาเลยต้องไปขวนขวายแบบหาหาวิธีอื่นมาทำสมาธิอันนี้มัน มันควรจะเป็นยังไงคะถึงขั้นที่ที่เียก<า>ว่จุดอิ่ตัวทำสมาธิเพื่อให้มันนิ่งนิ่งแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรถ้ามันนิ่งจริงถ้ามันนิ่งจริงมันจะไม่อยากจะทําอะไรเพราะมันสุขกเกินเกินถ้ามันนิ่งแล้วยังไ ม, ยงไม่ยังไม่สุขพ็แสดงว่ายังไม่นิ่งจริงแสดงว่าถ้าเกิดเขานิ่งแล้วเขาอยากแปลว่าเขาก็ไม่ได้สมาธิที่แบบอยากจะไปควนขวายทํานู่นทํานี่อีก ใช่มช่ไคมคะแล้วยังคนอย่างอย่างแสดงว่ายังไม่เน่งยังไม่สงบเน่งแล้วสงบแล้วไม่อยากจะไปทําอะไรแล้วพอมันก็มันคืจะอีกตัวแล้วค่ะเหมันถ้าเราไปแตะจุดนั้นแล้วมันก็จะแบบอืมมันก็เหมือนถ้าเราฝึกไปเรื่อยมันอยากจะอยู่ใจจุดนั้นนานๆบ่อยๆมันก็จะไปปฏิบัติแต่สมาธิหรือเราไปทําอย่างอื่นเจค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะคือโยมก็ โยมก็งงอ้าวแล้วเขาจะไปขวนขวายหาอะไรอีกอ่ะมันก็มันก็คือจุดประสงค์การนั่งสมาธิไม่ใช่ลรอลดความอยากให้จิตนิ่งาำไมเขาจะมีความหมาค่ะค่ะตอนนี้ต้องให้ความอิ่มความพอไม่มีความสุขอะไดที่จะดีเท่ากับความสงบเลยค่ะตกลงถ้าคุณถ้าคุณไปสวรรค์แล้วคุณยังอยากจะออกจากสวรรค์หรือเ่าก็อยากจะอยู่ในสวรรค์นานๆ อพอเข้าสูขส่ข่าวสังหวบเนี่ยครัมันก็เหมือนเข้าไปในสวรรค์ค่ะค่ะแต่ยังเข้าไปไม่ถึงก็เลยเลยเ ล, ยเลย ม, มีความอยากกิเลสอะไรมันมีกําลังที่จะหลอกให้เราไปทําอย่างนี้อย่างนี้ต่ออ่าค่ะแล้วจังหวบจริงๆแล้วกิเลสไม่ทํำงานทำงานไม่ได้อันตายจุกจิกค่ะโอเคนะ ค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ค่ะอาจารย์ทัากันแข็งแรงนะคะวันนี้ดูพระอาจารย์น่าสดชื่นมากเลยยอมดีใจค่ ะ, นนะพระอาจารย์เพิ่มป่งสีสานมาเมือวัน ด, ดูสดชื่นดีขยมชอบเนี้ยแบบสักวันหนึ่งเราจะได้โกนผมบ้างไหมเนอะ ค, ค, คุณแป๋มเนี้ยคนตอบไปเนี้ยคนแปไม่โกนมาแล้วเหลอไม่ทําอะไรมาโกนเจ้าค่ะจริงๆแล้ว วันนี้ลูกจะต้องได้อยู่ที่วัดเพราะลูกจองจองใบ ป, ปฏิบัติธรรมที่วัดยานเจ้าค่ะแต่ที่นี้ลูกอแอดมิสลงบา14วันเจ้าค่ะซึ่งได้อ่านเมื่วานวันนี้ก็เลยโคนหั ว, วออเลยเปิดออกมานี่งเจ้าค่ะขอเมื่อวานเนี้ยเจ้าค่ะแล้วทำไมต้องโอนหัวด้วยนะ่ะคือตั้งใจแล้วว่าจะไปปฏิบัติธรรมครั้งนี้จะโคน แต่ไม่้ปปฏิบัติก็เลยถ้าจะคู่หัวจะพักวันนี้วันนี้ก็กลับก่อนแล้วเราถึงซื้อสินแปะหรือเปล่าซื้อสินแปะจอไปก็ยังสู้ความเจ็บอย่นีไ้ได้จ็จพยายามไปพยายามฝึกสติไปเวลาเจ็บ ก, ก็พยายามมันอยู่กับคำบริกรรมบไปสวดบนไป แล้วก็จะอยู่กับความเจ็บได้เจ้าค่ะทันนี้ถ้าไม่อที่ห้องมีเสียงดังอะไรไหมจ๊ามีมี้เออเมื่อกี้เมื่อกี้แฟนเข้ามาเลเจ้าค่ะอย่างรบกวนมากไหมเจ้าค่ะเราไม่หรอกไม่มันเสียใครอาบน้ํำเลยเสียงใช้เจ้าค่ะวันนี้ล เข้ามากราบเติมพลังเจ้าค่ะคนนี้เจ้านี้เจ้าค่ะโอเคสาธุแสดงความยินดีด้วยนะในความกล้าหาญนะกิเลสกวนหัวได้เนียเราถือว่าเจ๋งนะเจ้าค่ะทอาจารย์เจ้าค่ะสาธุนะคณมาเลยก่อนไหมเรากรนอยู่ไหมข่าวหลวงพ่อค่ะ อยู่ uh, ก่อนดูท่านดูเสกคนข้างคนรับข้างเยาว่าเขาเยาว่ายังไงตกใจแน่เลยค่ะหลวงพ่อเธอเป็นบ้าหรือเปล่าแ ค, แค่นี้ก็รู้สึกว่าเหมือนประหลาดได้หมดแล้วค่ะหลวงพ่อมันมีความรู้สึกว่ามันมันไม่อิ่มกับทางเนี้ค่ะหลวงพ่อมันมีความสุขที่ที่ได้ทําทั้งทานทั้งวัตถุทั้งข้าวของทั้ง ปฏิบัติด้วยค่ะหลวงพ่อมันมีความสุขใจค่ะหลวงพ่อยินดีที่จะทําแล้วแล้วพอปฏิบัติแล้วเวลาช่วงที่มันเข้าสมาธิที่สติมันแนบเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันไม่อยากออกมไม่อยากเลิกค่ะหลวงพ่อ mm hmm. แล้วพอถอยออกมามาคิดทางปัญญาหลวงพ่อหนูมันเห็นภาพตัวเองว่ามันเสื่อมค่ะหลวงพ่อเห็นผมผมเริ่มเริ่มขาวแล้วก็หน้าเริ่ม เริ่มไม่สวยอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันเหมือนเหมือนเอ๊ะแบบเหมือนเราเจอมันเหมือนสะเทือนใจตรงที่ว่าเจอความจริงแบบเออมันเสื่อมลงอะไรเนี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วพอจิตอีกตัวหนึง่งมันก็มีมีคําถามคําตอบค่ะหลวงพ่อบอกว่าก่อนที่ผมจะมาข่าวเนี่ยมันก็ต้องดํามาก่อนใช่ไหมมันก็ถามตอบกันอยู่เนี้ยค่ะหลวงพ่ออ้าวผมดําแล้วผมดํามายังไง มันมีรากผมเอ้าแล้วมันกินอะไรมันก็จะตอบกันเองว่ากินน้ำเลือดน้ำเหลืองแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองเนี่ยมันมาอย่างไรมันก็มาจากเรากินธากินข้าวกินอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วมันจะเห็นตามในความจริงที่ว่าพอเรากินเข้าไปอาหารมันจะเละมันจะไม่สวยไม่งามเหมือนอย่างตอนแรกอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อจนกระทั่งมันมันกลับคืนมาเป็นธาตุออกมาอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อมันแล้วมันก็พิจารณาจนแบบ จิตมันสว่างจิตมันไม่จิตมันตื่นมันมันเหมือนไปได้เรื่อยๆม้วนเหมือนดูหนังรอบหนึงอะค่ะหลวพ่อเสร็จแล้วมันก็กลับเข้ามาในสมาธิแล้วก็สงบแล้วก็นิ่งประมาณแบบนี้ค่ะหลวพ่อหนูมันมันมีความตื่นใจมันหนูอธิบายไม่ถูกค่ะหลวพ่อมันเหมือนมันเห็นคือก็เข้าใจว่าเออเราต้องแก่เห็นน้ำตาเห็นร่างกายเป็นเพียงท่าสีในน้าไฟ ค่ะคือที่หนูเคยเรียนหลวงพ่อว่ามันมันก็เข้าใจเหมือนเป็นความจําที่ว่าเออเราต้องแก่ต้องอะไรเงี้ยคะ่ะแต่พอช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามันเหมือนมันมันเหมือนแบบฮะเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยเหมือนมันไล่สเต็ปอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วพอเสร็จเราก็กลับเข้าไปอยู่ในสมาธิเหมือนแบบมันไม่อยากออกมาค่ะหลวงพ่อมันมันเหมือนเห็ น, เ ห, นเห็นความจริงหรือเห็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อมันมันรู้สึกว่า เราไม่อิ่มในทางนี้ยค่ะหลวงพอ่อมันมีความยินดีที่ที่เราจะทําแบบนี้ค่ะหลวงพอ่อปฏิบัติแบบนี้ค่ะแล้วแลวที่นี้ก็พยายาม ห, หรือจะถามหลวงพ่อว่าถ้าสมมติเราเห็นเรื่องผมขาวผมหงอกเห็นเราเสื่อมเห็นเราแก่แล้วแล้วเราควรที่จะคิดต่อในส่วนอื่นไหมคะหลวงพอ่อหมายถึงให้เห็นตัวอื่นด้วยไหมคะที่ทั้งหมดอะไรอย่างเนี้ยค่ะ ก <mpfen house> ็เนว่านที่สุดมันก็ต้องหมดลมหายใจเนี่ะใช่ไหมันมันแก่แล้วต่อมาต่อไปมันก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคอะไรต่างๆเพื่อมันเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคตับโรคตายโรคอะไรค่ะคือจะเห็นการรักษาไม่ได้ก็หมดหมดลมหายใจไปตายไปเขาเอาไปเผาก็กลายเป็นที้เท่าไปพิจารณาไปถึงที่ที่สุดของมันเลย ก็คกลับเกินส่วนดินส่วนน้าก็ถูกไฟเผาละเหยไปหมดท้าไฟก็หมดไปค่ะหลวงพ่อคะแล้วแล้วตอนนณปัจจุบันนั่นคือตอนที่เราออกมาแล้วอะค่ะหลวพ่อหนูมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเหมือนร่างกายกับความรู้สึ ก, ก่มันแยกกันหนูมีความรู้สึกว่าเวลาหนูสัมผัสแขนขาเนี้ยมันเหมือนมันไม่ใช่เราอ่ะค่ะหลวงพ่อมัน มันเป็นไปได้ไหมคะหลวงพ่อมันได้เราเป็นคนใช้ร่างกายร่างกายไม่ใช่เรามันมันรู้สึกว่าเหมือนเราไปสัมผัสสิ่งของหรืออะไรสักอย่างอย่างเงี้ยค่ะหนูก็พยายามทวนอยู่ในจิตว่ามันมันทําไงถึงรู้สึกแบบนี้ว่ามันมันไม่ใช่เราอ่ะมันเป็นมันเป็นของหรือมันเป็นอะไรสักอย่างอย่เงี้ยค่ะหลวงพ่อไเหมือนเครื่องมือไปเหมือนรถเนี่ยเราคนขับกับคนรถมันกน็ละคไรก้อนนี้ ใช่ค่ะหลวงพ่อหนูรู้สึกแบบนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วแล้ววันนี้จะได้ปล่อยวางนัางกายได้嘛มันเรามันมันไม่ใช่เราเราไม่ใช่มันมันเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นไปกับมันแล้วม่ได้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่เฉยเค่ะหนูก็เลยเอ๊ะมันมันจะเป็นมันจะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมความรู้สึกมันแยกแยก แยกข้างในกับกับร่างกายเราอย่างเนี้ค่ะหลวง่อใช่ค่ะแล้ววันนี้ยหนูฟังหลวงพ่อเทศนะคะที่หลวงพ่อบอกเล่าถึงพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเห็นมาเห็นคนแก่แล้วก็มาเห็นคนที่นอนอยู่บนแค่นอนร้องโอดครวนอย่างเนี้ยค่ะที่พระเจ้าถามว่าเขาเป็นอะไรแล้วเอ่อมาเขาเรียกอะไรนะคะทหารก็บอกว่าทหารเล็บอกว่า เขาเขาป่วยเขาเจ็บอะไรเงี้ยหนูก็เลยมีความคิดสงสัยว่าอ้าวแสดงว่าพระพุทธเจ้าตั้งแต่เด็กจนกระทั่งท่านอายุก่อนจะออกบวชเนี่ยท่านไม่ได้ไม่ได้เจ็บใครได้ป่วยอะไรอาจจะเป็นบ้างนิดหน่อยปวดหัวปวดชีาอะไร<อ>เป็นธรรมดาแต่ไม่เคยเจ็บแบบเป็นอาการห น, น, นัก<อ>ทรมานไมาทำอะไรไม่ได้ค พราะเหี้งก็ไม่เคยเห็นนถ้าในวังนี้ก็ห้ามแม่เอาคนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปค่ะคืออาจจะมีบ้างไม่ได้ถึงแบบอาการแบบนี้อะไรใช่อาจจะไม่รุนแรงเป็นไข้หวัดปวดศีรษะปวดท้องช่วคท้งช่วง้าวเดี๋ยวก็หายเแต่ไม่เคยเจอแบบเจอแบบโรคมาแ็งเรืออะไรเนี้ยนอนเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อแล้ววันเสาร์ที่ผ่านมาหนูหนู นิมนต์พระธิวัดป่าค่ะปกติท่านจะไม่รับกิจเลยอะค่ะหลวงพ่อหนูนิมนต์มาหมดวัดเลยแล้วก็ทั้งเนนทั้งแมชีด้วยอะค่ะมามามาถวายทานที่บ้านนะคะแล้วแล้วท่านก็มาดูสาลาที่หนูทาปฏิบัตินะคะ่ะหลวงพ่อ พ, พ, พ, พ, พ, พ, พระพระอาจารย์ท่านบอกว่าหนูดีมากเลยแบบหน้าหน้าห น, น้าปฏิบัติมากเลยค่ะหลวงพ่อแล้วเนยค่ะแล้วก็เมื่อคืน เมื่อคืนก็ปฏิบัติที่ศาลาที่ที่บ้านนะคะหลวงพ่อมันเหมือนหนูอยู่คนละโลกเลยค่ะหลวงพ่อหนูหอชอบมากเลยค่ะดีได้ที่สบายเลยที่ไม่ต้องไปไปที่ไหนไกลยอยู่ใกล้ๆบ้านเองค่ะแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวช่วงที่หยุดสามวันอาจจะมีไปที่วัดบ้าง ค, ค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอืมค่ะหลวงพ่อท่าที่มันทุกข์ยากลำบากขึ้นหน่อยมันจะได้มีอะไรท้าทายเรา อาถรรพ์กติบัญญาติค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูก็รายงานประมาณนี้ค่ะหลวงพ่อยังปฏิบัติอยู่ทุกวันค่ะหลวงพ่อ <Okay. S 2> ไม่หย่อนึแต่พูดขอบพระคุณหลวงพ่ อ, อไปที้คุณทวิสาต่อคุณทวิสาันธีเทราเข้ามาไม่ได้นะยข่าวธรรมานข่าวพระอาจารย์พอดีสงสัยคนเยอะรอก็เลยยงก็เลยเออ ฟังข้างนอกแทนค่ะพระอาจารย์ก็คือเห็เพื่อนเห็นเพื่อนก็ก็เข้ามาก่อนเขาเราให้ฝังว่าเพื่อ น, น, อนที่ชวิตเซนด์ด้วยกันใช่ไหมค่ะค่ะน้องนุ้ยค่ะที่ไปเจอที่ทวัดธรรมปาราค่ะค่ะน้องเขาก็เขียนมาบอกพี่เขา้าเข้าซูมกันวันวันพุธแล้วบอกว่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตามเข้าไปทีนี้นอ้องเขาก็เลยเขีว่าหนูก็เลยบอกว่าเออเข้าไม่ได้นะไม่ได้เจอในซูมห์เจอข้างนอกแล้วกันค่ะน้องบอกว่าเดี๋ยว ฝากบอกไหมก็เออก็ฝากบอกก็ได้ก็ได้พูดอย่างเงี้ยค่ะฝากอาจารย์ส่วนโยมก็ตั้งแต่ปิดร้านไม่ทํางานก็มาอมัดค่าสึกคุณพระอาจารย์ลดค่าสึเลือรุ่มเลยลุ่มเล ย, เลยค่ะว่าอาจารย์แบบไม่ได้ตั้งตัวเลยค่ะพอกลับมาจากจากเมืองไทยหนึ่งเดือนนะคะจนถึงประมาณเดือนกว่าคือแบบว่ามันไม่รู้มาทางไหน ก่อนหน้านั้นก็มีมาแล้วทีนี้มามาที่กลับมาที่นี่ก็คิดว่าตัวเองจะเงียบสงบแต่จริงๆมันก็ลุมมาอีกแบบหนึ่งอะคะ่ะพระอาจารย์คือคือคือแบบว่าทางหูตาะคะ่ะพระอาจารย์แล้วเราคือโยมเคยทำเพจเพจนึงเป็นการท่องเที่ยวไว้อะคะ่ะพระอาจารย์แล้วทีนี้พี่มาร์คสักเกเบิดนี่ก็รู้สึกว่ามาให้โยมเปิดไล่ได้ ถ้าเปิดไรได้ยงก็เอ๊ทำไมเอ๊เขาก็ได้ต่างกันนะยงก็ไปหมกมุ่นตรงนี้ค่ะพระอาจารย์ไปหมกมุ่นไปทาคอนเทนต์ไปนน่นไปนี่เสียเวลาแล้วก็แบบก็เริ่มคิดมากทีนี้ยงก็กลับมาคิดคือมันก็มีติงเข้ามาเอะค่ะพระอาจารย์ว่าเอาเราอุตส่าห์ปิดร้านขายร้านไปแล้วเพื่อจุดประสงค์นี้ทําไมไอ้เงินแค่นี้หรือว่าไอ้ของที่นี้มันมาทําให้เรา ดึงเราไปไปเมาตรงนี้ได้อะค่ะ mm hmm. พระอาจารย์ยมก็เลยเออตอนนี้ก็เลยตัดสินใจใหม่นะคะคว่าทิ้งว่าจะทิ้งไปเลยค่ะพระอาจารย์ว่าแบบคือตอนทําคือแบบเวลาไปเที่ยวคือแนะนําเพจเที่ยวสวิตส์นะคะพระอาจารย์คือยมเคยทํามาก่อนหน้านั้นน า, นานไปแล้วค่ะทําแล้วก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้อะค่ะทีนี้มันก็มีคนเข้าไปดูเยอะๆคนเข้ามาติดตามเยอะ ๆ, ๆเยอะๆอย่างค่ะทีนี้เขาก็กลายเป็นอยู่ๆเขาก็ ให้โยมแบบเปิดสร้างรายได้ได้แล้วก็บอกมีเงินเข้ามาในเพจเนี่ยค่ะพระอาจารย์มีสมาชิกโยมก็เอ้ยคุยกับเพื่อนเอาให้มันเป็นอย่างนี้เพื่อนบอกทําเลยทําเลยก็มีคนพูดแล้วว่เราเอาลองดูซิทีนี้ก็แบบกลายเป็นไปหลงหมัดหลงแบบหลงหลงไปอีกแบบหนึ่งเลยค่ะคือช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ทําให้แบบว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ทางแล้วเราเอ้ยมันพอมาคิดคิดได้ค่ะพระอาจารย์เมื่อได้เมื่อ ฟังเนี้ยค่ะพระอาจารย์ที่ฟังพระอาจารย์เริ่มต้นเนี่ยคะ mm ่ะ hmm. ตั้งแต่มาแล้ว่าเออเฮ้ยตั้งแต่พระอาจารย์บอกเวลาเป็นยังไงแล้วก็พูดพู ด, พดแล้วก็วันนี้ที่ฟังเทศยมก็เลยเอ้ยทําไมเราแบบว่าปฏิฐานเราตั้งใจไว้แบบนี้แล้วทําไมเราโดนโดนค่าสึกมาหลายแบบแล้วทําไมมันเราเมาเราหลงแวบไปได้อะไรเงี้ยคะ่ะยมก็เลยได้มาพิจารณาว่าอ๋อสงสัยที่ปฏิบัติไม่ เรายังไม่ได้พบความสุขที่พระอาจารย์บอกแบบสุขที่นี่ว่าไม่เอาอะไรอย่างอื่นแล้วคืออาจจะเป็นสมาธิแค่แค่เงียบนิ่งถ้าแค่สงบแบบนั้นเราคงยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าเอ้ยจะแบบว่าไม่เอาอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะลวมก็เออใช่งั้นสงสัยโยมจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ปฏิปฏิวัติตัวเองใหม่แล้วคะพระอาจารย์ค่ะคือคุม มีกาฝึกสตินั่สมาธิให้มากขึ้นบ่อยขึ้นเพื่อให้เขาถึงความสงบให้ได้ถึงความสงบแล้วมันจะมีฉันทะมีความยินดีที่จะปฏิบัติมันจะไม่อยากไปทำอะไรอย่างอื่นเ่าให้ใครมีอะไรมามาล่อใจไม่ไปถ้าเราพออยู่พอกินแล้วเราก็ไม่เอาแล้วนอกจากว่า้าให้พอกินพ อ, นพอใช้ก็อาจจะต้องไปหาเงินหาทองมาบ้าง ถ้าพอกินพอใช้แล้ไม่เอานีกว่าเนี่ยแล้วก็ตอนที่เราปฏิบัติครบปีเราก็เงินหมดพอดีเราก็สองจิตสองใจว่าจะทําะไรถ้าอยากจะอยู่แบบนี้ต่อไปก็ต้องไปทํางานทํางานก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติแต่ถ้าไปบวชก็จะมีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่แต่ตอนนั้นก็ไม่อยากจะบวชไม่อยากจะไปอยู่ในกรอบในโกงอะไรเงี้ยชอบอยู่แบบอิสระ แต่มันก็ไม่มีทางเลือกอื่นกงก็กงวะอย่างน้อยจะได้มมีเวลาปฏิบัติก็เลยไปบวชนะสนใจไปบวชค่ะพระอาจารย์แต่ยมยมยมบางทีแล้วความแบบยมเป็นผู้ชายก็คงจะดีมันจะไปบวชแล้ก็ได้เนะค่ะพระอาจารย์คือแบบผู้ชายมาันหาที่ที่อยู่ได้ง่ายกว่าวัดวัดเ้ามีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะพระอาจารย์ แต่ก็กมีลำบากเลยอาวัตอยู่บ้านค่ ะ, คะยงก็เลยบอกเอา้าในเมื่อตรงนี้แล้วก็เราก็เอ๊้เราก็ตัดทางนั้นมาแล้วที่ขายร้านไม่ทําอะไรแล้วเราก็คือเอ้เรามันทางนี้แล้วเราก็ทําหน้าที่ตรงที่ที่ยังแต่งงานอยู่ก็ทําหน้าที่ตรงนี้ให้ไปได้ทําหน้าที่ให้ให้ให้ให้ได้มากที่สุดก่อนจะต่อไปจะเป็นยังไงค่อยว่ากันค่ะ <Okay. S 2> <laughs> ก็ต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติด้วยนควบคู่กันไปค่ะพระอาจารย์ค่ะโยมก็ก็คุยกับทางพ่อบ้านไว้เหมือนกันค่ะว่าอย่างงี้นี้ประมาณประมาณนี้ก็ขออนุญาตประมาณนี้ประมาณนี้เขาก็โอเคอย่ายเช่ว่าถ้าเกิดพระอาจารย์เหมือนที่พระอาจารย์บอกถ้าเราถึงขั้นขั้นนั้นแล้วยังไงอะไรก็มายั้งเราไม่อยู่ใช่ไหมครพระอาจารย์หรืว่า เรายังไม่ถึงเราก็จะพยายามทาต่อไปก็เลยยังไม่ได้พูดถึงว่าอนาคตจะยังไงก็พูดกับเขาเพียงแค่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปถึงไหนแต่ก็จะพยายามเต็มที่กับอาจารย์ําายำสอนพอาจารย์ที่เทศมาทุกๆครั้งก็คือคื อ, คอเข้ามาตลอดนะคะอาจารย์ก็บางทีแวบไปเหมือนครั้งนี้ครั้งนี้ก็เมาหมัดไปเยอะ <laughs> เยอะมากครั้งนี้ก็เลยว่ากรก็ได้ได้ข้อคิดแล้วก็แนว แนวแนวที่พระอาจารย์สอนนะคะก็นำมาใช้แล้วก็จะพยายามต่อไปค่ะพระอาจารย์โอเคอย่าทิ้งแม่อย่าทิ้งกานภาวนาอย่าทิ้งการปฏิรัติค่ ะ, คะพระอาจารย์ย้ําตรงนี้มากค่ะค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์ขอบคุณนะที yeah. ่ที่คุณหมอสุตัสเนยังไงคุณหมอมีอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะละมัศ ก, การตั้งพระอาจารย์เจ้าค่ะยังภาวนาอยู่เหมือนเดิม ภาวนาทุกวันเจ้าค่ะอเจ็ดสงบดีมีความสุขดีมีความสุขดีเจ้าค่ะพยายามลดความวุ่นวายใจไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเจ้าค่ะอ่าดีโอเคพยายาข้อสอบเตรียมเตรียมทำข้อสอบไว้นะความแก่คําเจ็บความตายความต้องกาจากกันเนี่ยมันเป็นข้อสอบเจ้าค่ะอาจารย์ขอบขอบคุณเจ้าค่ะโอเค ไปที่คืนกา l ล x กซี่ e นดแปดเนี่ยดเกิาเป่น Galaxy ็กซี่กับซาครับอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่สุรินครับอาจารย์ครั้งแรกทช่ไหมทีม่เข้ามาเนี่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับอาจารย์ ม, รมีอะไรไหมอ๋อแต่ถามอาจารย์ว่าการการทำสมาธินี่ต้องกำหนดเรีวราไหมครับ เราก<ท>ำหนดสติเวลาไม่ต้องกำหนดะถ้าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องไปทำอะไรก็ไม่ต้องไปกำหนดเวลานั่งให้นานที่สุดท่านที่ยังนั่งได้จะนานไม่นานอยู่ที่ก็สติกำหนดสติต้องพยายามฝึกสติให้ ม, มามกๆคอยควบคุมความคิดสตินี่หมายความว่าพุโทโธพุโทโธต้องทำก่อนที่เรามานั่งครับต้องฝึกสติทั้งวันเลยถ้าแต่เรียนตานขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปก่อน ทำอะไรก็พุโทโธพุโทโธคอยสกัดกา้นความคิดปุนแต่งหนึ่งไปครับแล้วพอมานั่งสมาธิก็ให้มีสติอยู่พุโทโธไปจะนั่งได้นานไม่นานก็อยู่ที่สติถ้าสติดีจิตสงบก็จะนั่งได้นานแล้วมีความสุขถ้าสติไม่ดีนั่งก็จะนั่งไม่ได้นานแล้วใจจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจครับถ้าจะใช้เวลาก็ ถ้ามันจำเป็นจะต้องไปทํางานได้ไป ท, ทําธุระอะไรก็ต้องตั้งเวนาไว้แต่ถ้าไม่มีธุระอะไรเกี่ยวข้องอะไต้องนั่งในยาวนานเท่าไหร่ดได้ก็อย่าไปตั้งเวลาเลยตั้งสตินีบารครั บ, บ, รบต้องต้องให้มันเห็นเวทนาไหมครับก็เบื้องต้นนี้ก็แล้วแต่มันอาจจะเห็นไม่เห็นก็ก็ได้เราไม่ได้ต้องไปตั้งใจต้องเห็นเราต้องการให้จิตสงบเท่านั้นเองในเบื้องต้น ถ้าจิตมีสติอยู่กับพุโทโธมันก็จะสงบได้ง่ายถ้ามันเผลอไปวับคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะสงบได้ยากแล้วมันก็จะไปเจอความเจ็บได้แต่ถ้ามันสงบแล้วเนี่ยมันจะไม่เจอความเจ็บเลยมันจะพบเข้าไปก่อนที่ร่างกายจะเจ็บครั บ, รบแต่ก็ไม่เป็นประเด็นสําคัญเจ็บก็ต้องฝึกอันอยู่กับมันไปอย่าไปอย่าไปขยับอย่าไปเปลี่ยนอาณายักร อยู่กับพุโทโธไปแล้วไม่ไปนสนใจกับความเจ็บเดี๋ยวความเจ็บมันก็จะไม่มายุ่มมงกับเราครับผมแล้วถ้ากรณีฟุ้งมากๆา่ะครับอาจารย์เราเรเพราะเราไม่ได้ฝึกสติมาก่อ น, นอ๋อฟุง้งเราไม่พุโทโธพุโทโธเลยคือถ้า<อ>พุโทโธไม่ถูอแล้วเราใช้คำบริกรรมยาวๆเหมืนอนนั่นส่วนในทีปีโซไปก่อนก็ได้ครับ พุทธธรรมโอสังโฆก็ได้พุทธังสระนังกฐามิอาการสาดิสสองก็ได้ผมขนได้ปันหนังได้เอ็นกระดูกให้มีอะไรทําอย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆแลเดี๋ยวมันจะทนนั่งต่อไปไม่ได้ครับขอบคุณมากาังครับโอเคสาดเดียวขอบขอบคุณปรางวะลายศิลชาตฝันมัสการเจ้าค่ะ กลับมาจากเชียงรายแล้วก็ถาคแต่ว่า<ม>ล่องไปทางเชียงใหม่เจ้าค่ะแล้วก็ไปเยี่ยมพระน้องที่เขาบวชที่วัดพระธาตุสีชมทองได้พระน้องก็เลยมีโอกาสได้นวัสการพระอาจารย์ของนอ้พระน้องนะคะชื่อพระอาจารย์พุนศักดิ์ท่าน<ม>พูดภาษารัเสเซียได้แล้วท่านก็เลยสอนใช้เวลาสั้นๆนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งสอนเรื่องของขันอ่าเป็นแบบเดียวที่พระอาจารย์ได้สอนเจ้าค่ะ แล้วก็ท่านท่านท่านได้ได้แจ้งว่ารู้จักกับพระอาจารย์ด้วยค่ะท่านบอกว่าให้ให้เรียนหมั่น ป, ปฏิบัติเยอะๆแล้วก็ถ้ามีคําถามก็ให้ถามพระอาจารย์สุดท้ายอะค่ะท่านก็บอกว่าถ้ามาเชียงใหม่ให้ไปปฏิบัติที่นูน้นวันที่มีพระหลังไปปฏิบัติเยอะๆใช่ไหมใช่จะับเป็นส่วนใหญ่ไปรัเสเซียเจ้าค่ะรัเสเซียก็พอดีแฟนหนูเขาไปฟังตามไปฟังทำด้วยแล้วเขาก็ เขาก็เลยชอบเขาก็เลยมีโอกาสได้เหมือนกับได้ถามคําถามนะคะอ่าพระอาจารย์ก็เลยชวนหนูกับแฟนทั้งสองคนแฟนหนูเขาก็เลยรับรับรับปากนะคะว่าไปรอบหน้าเดี๋ยวจะไปปฏิบัติธรรมด้วยกันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นหนูก็ล่องลงมานะคะล่องลงมาที่ที่จังหวัดตากแต่ว่ามันเย็นซะก่อนหนูก็เลยไปพักที่อุทยานแห่งชาติตากเสซนหมหลาล่าเจ้าค่ะ ก็ก็นั่งสมาธิเหมือนเดิมค่ะไม่ไม่ไม่หลุดในเรื่องของการปฏิบัติเอ่อจะมีตัวหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูได้สติมากขึ้นก็คือตอนเช้าหนูไปเดินป่าไปดูต้นกระบกใหญ่ค่ะแต่ว่ามันเป็นการลงเขาระมัน400เมตรซึ่งลงลงอย่างเดียวค่ะพอขึ้นไปแล้วมันขึ้นไม่ไหวระหว่างที่ขึ้นขึ้นแล้วก็พักช่วงนั้นนะคะก็เลยนั่งชวนกันนะคะก็คือบริกรรมพุทโธเนี่ยค่ะหลับตาแล้วก็ หนูก็ดูลมหายใจที่หายใจแรงๆเสียงหัวใจเต้นเต้นแรงๆค่ะมันก็เลยเห็นว่าการทำงานของร่างกายเป็นยังไงอะค่ะแล้วก็ตัวเราก็เป็นผู้รูซึ่งพอพ อ, พอเหมือนเราเดินเหนื่อยค่ะพระอาจารย์มันก็เลยทำให้เราเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นจิตที่ดูร่างกายโดยตรงค่ะทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าตัวเนี้ยค่ะแยกจิตออกจ<ห>อาจกก า, ายก็เลยปล่อยวางร่างกาย เจ้าค่ะเลยชอบเลยค่ะเพราะว่าพอเห็นตรงพอทําตรงนี้มาเจอความทุกตรงนี้แล้วมันเห็นชัดเจนเจ้าค่ะระหว่างเดินขึ้นตอนที่เดินขึ้นเจ้าค่ะก็ใช้วิธีเดินเดินเท้าไม่เดินดูธรรมชาติเจ้าค่ะเดินเท้าเดินดูเท้าไปเรื่อยๆก้าวซ้ายขวาซ้ายขวาค่ะมันก็เหมือนมันเหมือนมีสติพอสักแป๊บหนึ่งก็เลยขึ้นได้นะคะ ม, มันจะมีกระเพลนด้วยมันจะทําให้เดิน<ม>เดินง่ายกว่า เวลาที่เราไม่มีสติคะนะคะก็อันนี้ก็ได้เรียนรู้ได้ได้ฝึกเพิ่มค่ะแล้วก็เดี๋ยวหนูต้องต้องไปที่ที่อุดรต่อคับเอ่อไปไปงานศพพนักงานที่ที่หนูไปดูแลเขาแล้วเขาแล้วเขาเสียชีวิตซึ่งอาจจะได้มีโอกาสที่จะไปวัดขอไปไปเที่ยวที่วัดป่าบ้านป่าเจ้าค่ะอืมก็น่ า, นาประกับ เราต้างของตาด้วยไปกราบพระเจดีย์ขงนั่นนะคะจะออกกลองจะพานไปนะใช่จะค่ะจะลองไปกราบหลวงปู่เชอรี่ด้วยจ้ะค่ะไม่ไม่แน่ใจว่าจะเจอรหรือเปล่ามันก็อยู่ในวันนั่นอ่ะเดมันต้องมีเวลาเท่านั้นเองเวลาที่ที่เหมาะสมนะคะก็กราบเรียนพระาจารย์เท่านี้ก็ยังฝึกปฏิบัติเหมือนเดิมนะจ้ะค่ะโอเคตาจ้วย แต่ที่คุณพนามตาคุญปนามเช่นเซรั่มอะไรกันใช่ไหมวัสดการเจ้าค่ะพระเจ้าใช่เจ้าค่ะหยุดเซรั่มอยไรกันเจ้าค่ะปฏิบัติบชูชาเจ้าค่ะะการบูชาที่สมควรอย่างยิ่งก็คือการปฏิบัติ บ, บูชาผู้ใดปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมผู้ น, นั้ น, นคือผู้บูชาประทาคนคดเจ้าบ่กบต้องใช่ไห ลูกได้มีโอกาสไปอ่ากราบหลวงตาที่ท่านอยู่ที่ออเบนี่ที่น้องแจ้ไปถวายเพนเนาะเจ้าค่ะก็ได้ไปถวายเพนหลวงพ่อแล้วก็เข้าไปปฏิบัติอยู่ในป่าเพราะว่าเงียบสงบแล้วก็สบา ย, ยาอ่ะรท่านมีป่ายเยอะนะค่ะมีป่ายเยอะเจ้าค่ะหลวงพออ่อก็สงบเตีหนูชอบไปตรงนั้นถ้าเป็นซัมเมอร์หนูชอบมากมแต่ถ้าเป็น หน้าหนาวหนูก็จะอยู่ที่ที่วัดวัดพุทธบารามเนี่ยวัดพุทธ อ, อริกรนเนี่ยจ้ค่ะแต่ถ้าเป็นซัมเมอร์ตรงนั้นเงียบสงบหลวงพ่อท่านก็จ ะ, ะทาเป็นที่ปฏิบัติท่านขยันจ้ค่ะท่านชอบปลูกของปลูกผักไว้แจกลูกหลานญาติโยมท่านก็ปฏิบัติท่านก็จะบอกเสมอว่าให้ไปนิพพานจเจริญสติ แต่บอกว่าเขาไปปฏิบัติในป่าท่านกจัจจยี่เมตตาอบรมสั่งสอนนทําให้ทําเพิ่มอีกเจ้าค่ะลูกไม่มีค่ะรู้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะปฏิบัติป ฏ, ตปฏิบัติให้มากๆานะเจ้าค่ะตอนนี้ก็แยากกายแยากจิตอยู่กับข้อสอบเจ้าค่ะคือเจ็บปวดก็ไม่ได้ทําให้ใจทุกเจ้าค่ะแยกหอเดียเจ้า นามาสการในคทาคําสั่งสอนจากข้าอาจารย์เจ้าค่ะอ่าอ่าไปที่รักสเบต่อคุณปุ้ย ก, การนามาสการข้าอาจารย์อาจารย์ได้ยินคุณปุ้ยเปล่า ไ, ได้ยินอยู่ไกลขนารักสเบยัได้ยินเล ย, ย <laughs> คุณปุ้ยสบายดีแต่ว่า เ ม, เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ยุ่งๆหน่อยเพิ่งจะมาฟื้นตัวเมื่อวันนี้เองค่ะ mm hmm. ค่ะเพราะว่ามันแบบลูกมาก็เราก็ต้องเตรียมผงเตรียมของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โ mm hmm. ยมก็สวดมน์พยายามสวดมน์แต่นั่งสมาธิห ย, ย่อนไปนิดนึงแต่วันนี้เข้าปกติแล้วค่ะเข้ารอบปกติแล้วค่ะโยมก็ถือศีลแปดค่ะทุกวัน อาจารย์ฮะสินแปครบกี่บา่ารบตอนกลางคืนสินเจ็ดตอนกลงวันตอนนอนเลยตอนนอนเขาหมดเลยนะหลังหลังหกโมงพยาจารย์สินแปดจริงจริงคนบางคนคนบางคนมารักษาสินตอนนอนรักษาที่เข้ารยรักษาไปยมรักษาก่อนยมรักษาก่อนยมไม่ทันเอาเย็นขนาดลูกมายมยังไม่ทันเลยพยาจารย์ค่ะยมแบบว่าลืมอ่ะชอบที่ลืมอ่ะ เวลาสวดมนต์นะ่ะตอนเช้าทีนี้บางทีโยมรีบๆอย่างลูกมาโยมลืมลืมกดน้ำและโยมไปทำรวดเดียวตอนตอนเย็นเลยได้ไหมได้ทำตอนไหนก็ได้โอเค่ฮะอือฮึโยมโยมก็ไม่ไม่มีอะไรเยอะค่ะโยมเพียงแต่ตั้งจิตอธิษฐานวันนี้โยมถือศีลและโยมก็ส่งกระตังไปทำบุญเมื่อวานนี้โยมจะมาขอพร พ, พระอาจารย์เมื่อวานเนี้ยโยมอะ่ะ อยู่ครบสามสิบปีแล้วที่รักจำเบิกเนี่ยอืมออู่ต่อไปเรื่อยๆอยู่ยังมีความสุขขอบพระคุณค่ะยังไม่ถูกหวยคะะ่ะอาจารย์ก็แทงไปเรื่อยๆเดี๋ยวว่าถูอย่า <laughs> งจะอย่ดแทงจะายุดแทงมันต้องถูกสักวันหนึ่งนะเ ร, รืหมดเนื้อหมดตัวก่อนก็ไม่รู้นะ <laughs> ไม่เอาแล้วหวยได้เอาเอาหวยฝรั่งพ <laughs> <Okay. S 2> ระอาจารย์รอเล่งค่ะพ <Okay. S 2> ระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ท้าขันแข็งแรงนะคะเดี๋ยวก่อนพระอาจารย์โยมมีเรื่องเรื่องหนึ่งจะถามพระอาจารย์ค่ะคือคือโยมเป็นคนที่ไม่ฝันแล้วแล้ว ม, มันมันมีมันมีเมื่อสองวันก่อนมันมันคล้ายๆกับมีคนเอามาตะโกนใส่หูโยม บอกว่าห้ามไปเอาคนอื่นมาห้ามไปกราบพระคนอื่นต้องอยู่กับจันมั่นเอโยมก็กลัวเลยกลัวผีอะ่ะผีหลอกโยมหรือเปล่าก็ไม่รู้อะ่ะก็ผีจริงไม่หรอกผีเราไม่เป็นไม่เป็นผีจริงใจเราปรุงแต่งได้มาเองสงสัยจงใจงใจิตโยมจะปรุงแต่งคะ่ะอืมยมก็ินก็ไม่มีเวลามาหลอกเขน เขาลองไปรับผลบุญผลบาปของเขาไอ้ตัวที่ขยันมาหลอกเราก็คือใจเราปรุงแต่งไปเองแต่โยมก็ดีใจนะคะที่โยมอ่อได้ติดตามพระอาจารย์เพราะว่าโยมมีบุญมากเลยเพราะเอลูกชายโยมก็รอดปลอ ด, อดภัยเพราะว่ามันเป็นเซนต์อะไรก็ไม่รู้มันเป็นบุญบา ร, รมีที่ว่าเอมไม่ถึงเค้าเคาะไมนก็ไม่โดนเคาะแล้วยมก็นั่ง จเจริญภาวนาจเจริญจิตภาวนาตามพระอาจารย์มาทุกวันทุกวันมากกว่าหนึ่งปีแล้ว่แล้วโยมก็รู้สึกยังไงก็ไม่รู้เอารถมาทิ้งเอาไว้แล้วเขาไปเที่ยวโยมก็รู้สึกยังไงไม่รู้อยู่ๆโยมก็ขี่รถออกไปที่ตลาดจะไปเปลี่ยนน้ามันทีนี้ไอ้ไอ้คนที่กหลาดมันก็บอกว่าคุณรู้ไหมคุณขี่มาได้ยังไงเบรกมันเสียแล้วน ะ, ลวะหลวเอ้าหรอโยมก็ต ก, กใจเลยอแล้วลตรงโน้นกระเสียตรงนี้ก็สิโยมก็ตกใจเลยโยมก็อ๋อนี่ไง นี่ไงบุญของเราที่เราสร้างมามาช่วยเราโยมกลับขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงค่ะโยมไม่มีอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์โอเคขอขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะโยมถวายบุญกับพระอาจารย์โยมฝากน้องหลา<ม>ทําบุญค่ะวันเนี้คราเจ้าค่ะครับกรับขอบพระคุณเจ้าค่ะไปเรีย่คุณขันชิดนอันชินอยู่ไต้หวันไปยังแผ่นดินไหวเล่าให้ฟังหน่อยเดิอยู่ใกล้ไม่ได้ เหตุการณ์หรือเปล่าแบน่ามาสการครับไปกัอได้ยินไหมครับไากันทที่แนดินไหวเป็นยังไงบ้างเจอไหมอ้ยาบยบครับหยาบครับมีบุญไปกันไยไว้ครับเรียงมากครับเครื่องพัง เคงพังเครื่องอะไรุกต้งองเลยทําการเปลี่ยนกันเป็นบุดเกียบเดือนนะครับน้ําป้อะกันะึกจะพังแล้วครับาอาจารย์ซึ่งหนึ่งทางหน้าเขาเขาถูกจริงแล้วเหลือเครื่งหนึ่งเอารอช่างอยูนี้แผ่นดินก็ไหวมากก็ทนเกือบแล้วครับอาจารย์แต่ก็ร้าวร้าวหมดตึกแล้วครับใช่ใช่อาจารย์ผมวม่าก็ยังให้อยู่ต่อไปได้นะ เว่าจะอยู่แค่ปีนี้ครับปีหน้าย้ายไปไทยเขาบอกให้ย้ายไปไทยด้วยครับอืมอยู่ที่จังหวัดอ่างทองครับอืโดยสายทายาสมาทํางานที่เมืองไดยนะครับมีอีกสาขาหนึ่งที่เมืองไทยครับ อ, อยู่์บานมีอะไรไหมวันนี้เขามาสากพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นวันนี้สากพระบูชามาสากพระอาจารย์ ขอให้สบกันเจริในการปฏิบัติบูบชานะครับไม่ยินดายอาจารย์ปฏิบัติบูชาผมไม่ต้องยิบยาเพราะยินดายอาจารก็เลวันนี้เราสักหน่อยสิบนาทียี่สิบนาทีก็ยังดีครับว่าจะนอนเท่าเหมือนมีอะไรดึงขึ้นมาได้มานั่งนั่งนั่งประมาณห้าห้าเป็นสิบห้าเป็นสิบนาทีแล้วว่าจะลืมตาแต่ลืมไม่ได้ครับลืมไม่ได้เหมือนมีอะไรดูด มเมือมีอะไรบินเวล้าน่งไม่น้องเดกมตานั่งหลับตาดีกว่าครับผอนั่งหลับตาถึงว่าจะเบลตาออกจากการนั่งสมาธิว่าแล้วมันเหมือนมีอะไรดินเข้ามาไม่ให้เบลตามันจะบอก ม, ม, มันจะบมันไม่อยากจะเบนตากนะ็ได้มันมันงงละอาจารย์ไม่เจ็บไม่ปวดแต่ยังไม่งสงบก็ได้ก็ดีทําไปเรื่ <Force striking. S 1> อยๆหลับตาไปถ้าจะ เราแ <ไป S 2> บาบว่าอาจารย์ฮัทเป็นแงเลนนะูผู้กับผู้ับผู้ับผกับผูับผู้กับผู้กอบผู้กับผู้กับผู้กับ้กัดผ่้กับผู้กับผู้ามบผู้กับผู้กันอยู่กับผู้้กับผกักันผู้ัู้กั้ับผูัับ้ับผ ด, ด้ับผู้ับผู้กับผูับ้ <im it> ับผับผู้อดผูอดอ้กับผูับผู้กับผู้ั้กัับผู้้ั้ั้ัับับ้กัๆๆับผูๆๆๆับผอ้กับผูนกับผูั้กงบั้้ั ปฏิบัติบูชาเนะี่ใช่ใช่ครับลองลองพิสูจน์ใจใจดูว่าเออถ้าอดแล้วมันจะมันฝึกฝึกเราคือก่อนหน้านี้เหมือนเคยอดแล้วก็เวลาใจเราแบบว่ากิเลสเรามันน้อยเราก็รู้สึกเฉยเฉยแต่ว่าถ้าถ้าตอนที่กิเลสมากมันก็ต้องกินแต่ว่าตอนนี้เหมืนทำได้ครับทำได้ มันจะเป็นเป็นขับพัดพไปบางทีมันบางทีมันก็ยอมเรา <c oughs> บางทีมันก็ไม่ยอมเราก็เข้าใจแบบนั้น ก, ก็ก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ไม่กล้าจะสัญญาอะไรแต่ว่าเหมือนเมื่อคืนก็นั่งนั่งคิดแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนตกผลิตอะไรบางอย่างเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องความสวยงามเรื่องสุภาอาสุภาะอะไรเงี้ยครับ เ, เ, เพราะว่าปฏิกูลความปฏิกูลของอาหารครับ เด็กุแล้วก็มันเห็นมันเห็นโทษเรื่องเรื่องการแบบว่ามีแฟนมีอะไรเงี้ยครับมันเห็นโทษแล้วก็มันเห็นภยัยจนเราไม่ค่อยอยากไปยุ่งเกี่ยวเลย<ม>คือเราพิจารณาตั้งแต่แบบตอนเป็นหนุ่มมาถึงวันนี้แต่ว่าไม่รู้มันจะแน่ไหมแต่ว่าพอพิจารณาแล้วก็รู้สึกว่าสมาธิดีแล้วก็แจ่มใสซึ่งซึ่งปกติเราไม่ค่อยได้คิดแต่แต่ตอนคิดพิจารณาพิจารณาเป็นวันเลยแล้วก็ลง<ม>แล้วก็รู้สึก แฮปปี้รู้สึกลงลงใจครับอืมก็คิดบ่อยๆคิดบ่อยๆอย่าบ้อยอยามาคิดคิดเห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากได้มันเป็นทุกแฟนก็เป็นทุกอาหารก็เป็นทุกทุกทั้งนั้นเพราะมัออนติดเวลาไม่ได้ิไม่ได้กินไม่ได้มีอยู่ใกล้แฟนแล้วมันจะทุกเพราะไม่เที่ยงเอ ก, ก็คือคิดเออถ้ามันก็เหมือนเชื่อพระาจารย์บอกถ้าเราถ้าตอนมีสติแล้วเราบอกว่าเออถ้าเราอยาก พอเราอยากปุ๊บนั่นนั่นคือเราทุกข์แล้วบางอย่างก็ละได้ได้แล้วก็เข้าใจแล้วแต่ว่าต้องว่าจะหาเวลาไปปฏิบัติเพราะว่าเหมือนเคยสัญญากับพูดเอาไว้แต่ว่ายังยังไม่ได้ทําแต่ว่าก็คิดว่าที่บ้านหรือว่าที่อื่นก็ยังดูก่อนว่าที่ไหนเหมาะเหมาะกับการปฏิบัติเพราะตอนนี้ที่บ้านเขาก็ไม่ค่อยได้อะไรเราสามารถทําที่บ้านเลยก็ได้เงี้ยเขาก็ไม่ได้ค่อยมาชวนกินข้าวอะไรละเพราะเขา ค่อน ข, ข้างจะรู้แล้วว่าคือเราก็เป็นส่วนตัวของเราครับได้ที่ไหนก็ได้ขอให้มีมีเวลาและก็ไม่มีใครมารบกวนเราก็แล้วกัน ก, ก็วันนี้ฟังเทศพระอาจารย์ก็ประทับใจพระอาจารย์พูดเรื่องปฏิบัติให้ให้เราปฏิบัติบูชาผมจะไม่ได้เมื่อกี้ผมไปดูพระสูตรมามครับประทับใจบางทีเราประทับใจผมจะเขียนเขียนไว้ตลอดสั้นๆเนี้ยครับเส้นที่ที่ผมชอบครับอ าารายงานแล้วก็ไปปฏิบัติต่อนะครับพระอาจารย์พยายามครับดนคุณฝนอชจารคุณฝ น, านากา ร, าราานมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ปฏิบัติพูชาพระอาจารย์ช่วงเช้าอะคะเพราะว่าตื่นเช้ามาใส่บาตรเสร็จแล้วก็ขึ้นมา เดินจงกรมต่อแล้วก็สวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิเอ่อนั่งสมาธิต่ออาา่ะค่ะก็รวมๆแล้วทั้งหมดก็ประมาณชั่วโมงนิดหน่อยอะค่ะเพราะว่ารู้ตัวว่าสติยังไม่ดีพอค่ะก็เลยยังเน้นที่การฝึกสติเหมือนที่กราบเป็น<ม>พระอาจารย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว่เจ้าค่ะได้แต้องฝึกสติก่อนก่อนที่เราจะนั่งสมาธิได้ค่ะก็เลยก็เลย เดินเอฝึกเดินจงกรมดู่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ก็เดินเดินช้าๆแต่ว่ารู้สึกว่าเดินจงกรมเนี่ยเหมือนแค่แป๊บเดียวอ่ะคะ่ะแต่ว่าเวลาผ่านไปเร็วมากอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็เราก็เลยไปนั่งสวดมนต์ยาวๆต่อแล้วก็ค่อยนั่งสมาธิต่อะคะ่ะถึงแม้มว่าอาจจะยังไม่ได้สงบอะไรมากอะคะ่ะเพราะว่าเราก็รู้ตัวว่าคือแม้กระทั่งระหว่างเดินจงกรมเนี่ย จิตมันก็ยังแวแบแวบได้อะค่ะไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนว่าเออจะพุดโธไปบางทีขนาดพุดโธแล้วมันก็ยังแว บ, บออกไปได้อะค่ะก็เลยว่าอ่ะงั้นมารู้รู้กายแล้วการเอาใจไปอยู่ที่เท้าระหว่างย่างาาก้าวอ่ะค่ะก็กะได้สักแป๊บหนึ่งก็ยังแวบบ ไปคิดเรื่องอื่นอยู่แล้วก็แต่แต่รู้เร็วค่ะพาาระอาจารย์พอรู้ก็จะกลับมาที่คําบริการหรือว่าที่กายอยู่เหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ใหม่ๆก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันยังต่อสู้กันอยู่ความคิดมันอย่างแรงอยู่กระแสะความคิดมันอย่างแรงค่ะสติเรายังกําลังยังน้อยอยู่บางทีก็เผลอบางทีก็ลืมค่ก็พยายามทำไปแล้วต่อไปมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็ พ อ, พอช่วงไหนที่มีความเพียรมันก็จะพยายามเยอะหน่อยก็ช่วงนั้นก็จะจะจ ะ, จะเหมือนคล้ายๆเหยียบคันเร่งก็จะดีขึ้นนะคะแต่พอช่วงไหนที่ไปอยู่ทางรูปเสียงกีรดรถผดทับพาโดนกิเลสเดึงไปมันก็จะถอยหลังกลับแล้วก็ต้องมาเริ่มใหม่แบบนี้นะคะ่ะพ้าจ่าเดิน้างน้าสามเก้าถอยหลังสองเก้า ก็หวังว่าค่ะก็ก็ดี mm hmm. พอดีวันนี้ก็อพอตอนเช้าปฏิบัติบูบชาเสร็จอาตอนบ่ายก็เลยต้องไปดูแลพระในบ้านก็เลยพาไปทานข้าว mm hmm. ตอนเย็นก็ค่ะไปทําหน้าที่แม่ก็พาลูกไปตีแบตที่ระหว่างนั้นหนูนั่งอ่านหนังสือของพระอาจารย์แล้วก็พูดถึงเรื่องมรรคมีองคแปด่ะคะ่ะ mm hmm. หนูอหนูอยากขอความเมตตาพระอาจารย์เพราะว่าหนูอ่านแล้วหนูหนูไม่เข้าใจอ่ะอนะคะอ่ะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบะคะ่ะกับ สัมมาสังกัปโปความดับริอชอบค่ะสองอันนี้ค่ะหนูไม่เข้าใจว่าคืออะไรอะค่ะพระอาจารย์ก็ความเห็นก็คือเห็นว่าบุญไม่จริงบาปม่จริงอย่างนี้เรียกว่าความเห็นเห็นว่าโรคเกิดจากอสมุนไพก็คือเกิดจากปัญหาความอยากอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความเห็น ท, ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเหมือนคนสมัยนี้เห็นว่าโรคกรมนี้ม่ไม่ คนสมัยก่อนเห็นว่าโลกแบนนะเป็นความเห็นผิดเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงเราต้องมีความเห็นที่มันตรงกับความเป็นจริงความเป็นจริงที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วมาสอนพวกเราเนี่ยเราต้องพยายามสอนใจเราให้เห็นตามพระพุทธเจ้าให้ได้พพุทธเจ้าเห็นอริยสัจวี่เห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายะวิทยาดับความทุกข์ ก็คือต้องหยุดความอยากอันนี้จะหยุดความอยากอันนี้ก็ต้องมองเห็นให้เห็นความจริงว่าร่างกายมันไม่เที่ยงร่างกายมันเกิดแล้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครห้ามมันได้มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศถ้าไปอยากให้มันเที่ยงมันก็จะทุกข์ไปเปล่าๆใช่ไหมในะอันนี้ก็คือความเห็นเมื่อรู้ว่าความเห็นเป็นอย่างนี้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องมาสอนใจให้คิดไปตามความเห็น ตอนนี้เราอยากไปอยากให้ร่างกายมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะถ้าไม่อยากจะทุกข์นี่คืความดํำริชอบก็คือการพิจารณาการดํำริก็คือการพิจารณารมเนี่ยออพิจารณาอยูย่ตรงนีว่าร่างกายไม่เที่ยงนะมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันจะทําให้เราทุกข์อันนี้เรียกว่าเป็นการดําความดํำริความคิดชอบเ네นี่ย มันคิดตามแนวมัคิดตามความเป็นจริงถ้ามเป็นจริงก็คือเราทุกคนเราไปอยากให้ของไม่เที่ยงมันเที่ยงอยากให้ร่างกายนี้ไม่เที่ยงมันเที่ยงมันไม่เที่ยงมันก็ทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่ไปอยากให้มันไม่เที่ยงปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเราก็จะไม่ทุกข์เราต้องคอยสอนใจอย่าไปอยากให้หยุดความอยาก วิธีอยู่ความอยากก็ต้องไปทำความเพียรเจริญสติสัมมาสติสัมมาสม า, สมาธิเพก็หยุดความอยากหยก<ะ>ุดความคิดปัญญามันมันมันระหว่างสมาธิกับปัญญามันกันอย่างเนี้ยมีปัญญาบอกให้เราต้องทํำองไงรเราก็ไปทำํำเราต้องหยุดความอยากหยุดความคิดอย่าให้มันคิดไปทางความอยากวิธีจไม่ให้มันคิดไปทางความอยากเราก็ต้องไปฝึกสตินั่งสมาธิ จะมีสมาสติสมาสมาธิที่ต้องทําอเราได้พอเราได้สมาธิเราก็จะมีกําลังหยุดความอยากได้พอเวลาเวลาเจ็บไายในป่วยอยากจะไม่เจ็บมัอยากจะไม่ไม่ให้มันเจ็บไายในป่ยวยเราก็หยุดมันได้อเราห้ามมันไม่ได้มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแต่เราจะไม่ไปทุกข์กับความเจ็บของร่างกาย ถ้าเราทำใจหวังชให้เฉยไนดะ้ไม่ไปไม่ให้เกิดความอยากขึ้นมาใจก็จะไม่ทุกขค่ะเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์คืออันแรกคือความเห็นชอบก็คือเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่ามันความทุกข์เกิดจากอะไรแบบนี้ใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็แล้วแล้วก็ตำบิดชอบคือเราต้องหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่า ความทุกข์เราเกิดจากความอยากถ้าไม่อยากจะให้ทุกข์ก็ต้องพยายามหยุดความอยากให้ได้ทุกครั้งที่เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาน้าตรงไปหาคนไปหาได้เราต้องทุกข์กับว่เราต้องอยากอะไรทั้งอยา่าง <Okay. S 2> บาอทีก็ทุกข์กับลูกเยางี้ลูกกับลกเพราะเราอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เป็นอย่างที่เราอยากเราก็ทุกข์ขึ้นมาค่ะเ okay. ข้าใจแล้วค่ะ อ, อาจารย์ นี่ก็หนูก็ไม่ได้มีคําถามอะไรเพิ่มเติมหนูคิดว่าเดี๋ยวหลังจากที่เสร็จซ Zoom หนูก็จะไปเอไปฝึกไปนั่งสมาธิอีกรอบหนึ่งนะคะอาจารย์ได้ดียังทำได้มากเวลามีนอยลงไปทุกวันนีค่ะหนูก็ฟังเมื่อกี้ที่พระอาจารย์บอกว่าบางทีเหมือนสังขารมันร่างกายมันไม่ไหวอ่ะค่ะคือหนูก็รู้ว่าอายุหนูก็เยอะขึ้นทุกทีร่างกายมันก็ไม่ค่อยไหวเพราะว่าแบบมันมีเรื่องอาการปวดหลังมาลกกลัวนะคะแล้วหนูก็คิดว่าหนูจะให้เรื่องเนี้ยมา พัดควางการปฏิบัติของหนูไม่ได้อะคะ่ะพระอาจารย์ก็ต้องก็ต้องพยายามต่อไปอะคะ่ะพรอาจารย์เลยว่าเดี๋ยวจะไปนั่งต่อคะ่ะพระอาจารย์โอเคดีสาวกับข อ, ขอบคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะคุณสเลนทอแมร์วลล์อเมริกาการนมัตการพระอาจารย์ค่ะพรอาจารย์สวัสดีนะคะมีกิจกรรมทางวิสาขามูชาที่ที่นั่นบ้างไหม จริงๆมีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วค่ะแต่ละวัดเจ้าค่ะเขาเขาก็จะมีงานเวียนเทียนเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเวียนเทียนบ่ายสองโมงแทนที่จะเป็นตอนกลางคืนนะคะแล้วก็มีข้มาค่ะมีมีมีเทสแล้วก็มีอ่ช่วงเช้าก็จะมีกิจกรรมตอนเช้าอะค่ะแล้วแต่วัดอะค่ะก็สลับกันไปบางวัดก็อาทิตย์ที่แล้วบางวัดก็อาทิตย์ที่จะถึงเนี่้ค่ม ค่ะเดี๋ยวจะได้มีกิจกรรมให้ญาติโยมได้ปฏิบัติกันอ่าพระอาจารย์ก็ประมาณนั้นนะคะได้ดังนั้นามีบูชาปฏิบัติบูชาเพิม่มมากันไปอ่าโยมก็ไปปฏิบัติที่วัดไทยะะอ่ะค่ะเพราะว่าเขายังมีอมีกิจกรรมให้กับเอเอ่พวกเราไปสามารถปฏิบัติได้สัปอาทิตย์ละสองชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะโยมก็ไปไปฟังทำแล้วก็ไปปฏิบัติทำที่นั่นแทนนะคะอื อาทิตย์นี้โยมก็ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์เข้ามากราบพนพระอาจารย์วันวิสาขบูชาค่ะอย่านี้ดีกว่าอาทิตย์ที่แล้วนที่นไม่กล้าบอกไม่กล้าเนเดิมพอๆกันนะเพราะว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้มันเป็นวันหยุด Memorial Day Weekend นะคะแล้วก็มีคนหยุดงานกันนะคะโยมก็ต้องทำงานแทนคนอื่นที่เขาหยุดงานมันก็มีเรื่องเรื่องที่เราจะต้องไปแข่งแย่งต่อสู้กับคนอื่น เพื่อให้ได้เพื่อให้งานเราได้ได้สําเร็จเริงๆนะคะเพราะแต่พอเข้ามาฟังทํำเราก็รู้สึกว่าโ๊้นี่เราทําอะไรเนี่ยทําไมทําไมเราหลงยี่ขนาดนี้เพื่อที่จะไปต่อสู้ให้ได้ในสิ่งที่เหมือนกับว่าเออเราคิดว่านี่มันคือถูกต้องในเรื่องของการทํางานทําไมอีกคนหนึ่งเขาทำอย่างกับเรามันดูไม่ถูกต้องเราก็ไปต่อสู้ะก็ไปต่อสู้แทนคนอื่นเขาด้วยเราลืมความเมตตาไปมันต้องให้ออกมลืม ลืมค่ะเพราะว่าถ้ามันถ้ามันผิดพลาดเราก็จะรู้สึกว่าเราเหมือนมีความคาดหวังกับตัวเองว่าตัวเองจะต้องทํางานในในในแบบนี้นี่คือนี่คือบรรทัดฐานของเราแต่พอมันเห็นคนอื่นเขาทาไม่ถูกเราก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปเพราะมันกระทบเราสุดท้ายมันกระทบเราแล้วก็กระทบงานของคนที่เราทํางานแทนเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมานั่งฟังแล้วรู <laughs> สึกว่ายมทําอะไรเนี้ย เผออีกแล้วเหมือนกันแล้วแต่ถ้ามีความจําเป็นจะต้องพูดก็พูดกันได้แต่อย่าใช้อารมณ์นั่นเลยพยายามกันบานฉันพยายามกับ้านฉันจะทําให้ดีกว่านี้ทํางานร่วมกันมันก็ต้องมีมีมีข้อบกพร่องก็ต้องอาจจะต้องคอยบอกคอยเตือนกันบ้างก็ได้ค่ะบางทีเราเห็นอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกมันเลยกลายเป็นว่าเราปิดจัดแจงคนอื่นคาซึ่งคนพิถี ถ้าไม่มีขยะทําทำ ด, ดีค่ะก็รู้ตัวเหมือนกันค่ะว่าวมันไม่ดีแต่มันอดไม่ได้ครับอาจารย์ต้องต้ อ, ตองสู้ต่อไปอุเบกขาไม่มีอุเบกขาไม่พอต้องเราก็ต้องมีเมตตาอุเบกขาก็ยังปฏิบัติอยู่นะคะแต่ว่าพอปฏิบัติแล้วมันฟุ้งค่ ะ, คะมันมันรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเรายอมไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่ต้องสู้ต่อไปกับอาจารย์พอได้เห็นอาจารย์แล้วก็อย่างนั้นก็รู้ปัญหาแล้วคอยแก้ต่อไป ค่ะพอได้ฟังทำพระอาจารย์ถึงจะโอตาแล้วฉันทำผิดไปแล้วอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์สู้ต่อไปค่ะพระอาจารย์จะปฏิบัติให้ดีขึ้นคะ่ะ<อ>วันนี้ก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะขอให้พระอาจารย์ทัดแกงค่ะชูทับไม่ได้กูเน่กูเ่งพัทยากรา บ, บมาสการค่ะพระอาจารย์เอนี่สองตัวก็ทำ น, นด้เลย ก็นอนแล้วค่ะพระอาจารย์โอ้โหดื้่มากเลยแต่ก็ดีขึ้นอยู่ค่ะพระอาจารย์สามภาษาก็พาไปนั่งฟังเทศได้ยังถือว่าดีอยู่นะถ้าพระอาจารย์ก็ทุกคนก็ยังบอกว่าคิดว่าเข้าไปไม่ได้เขาก็ยังไปได้แล้วก็เห็นคนอื่นทําได้เขาก็พยายามสังเกตนะคะพระอาจารย์<ม>เขาก็ทําได้ก็คิดว่าพอดีขึ้นนะคะพระอาจารย์เขาปกติจะไม่อยู่นิ่งเลย<ม>อื่าคนเล็กเนี่ยค่ะ พระอาจารย์ค่าฝึกไปเนื่อยๆหนูก็ังจะมีสติมากขึ้นเองค่ ะ, คะพระอาจารย์หนูก็คิดอย่างนั้นแหละค่ะก็เลยแบบอ่ะเหนื่อยก็เอาไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ทําให้เราได้ฝึกตัวเราเองด้วยอะค่ะพระอาจารย์ฝึกขันติไปในตัวนะได้ค่ะเพราะว่าหนู ม, มีเอ่อคนแก่อยู่ที่บ้านเปรตโป่ง ก, กับก้าวศิษที่จะต้องดูแลแล้วก็มีขนาดนี้ที่ดูแลบ้างอ่ะค่ะพระอาจารย์ ก็เลยทำให้เราได้ฝึกในเรื่องของขันตินเยอะมากครัพระอาจารย์คือได้เห็นอะไรหลายอย่างมันก็เลยทำให้เรารู้เลยว่าอเอามาถูกทางแล้วค่ะแล้วก็ต้องทำต่อไปครัพระอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าอ่อตอนไหนอะไรยังไงนะคะเพว่ามันจะหยุดได้แต่ก็งพูดว่ามันบรมีบรมีบรเกิดค่ะใช่ค่ะ<ม>พอา<ม>จารย์ ก็มีมารมามามามาสร้างปัญหาให้กับเราเราจะได้ในขันเสกเมลเมกค่ะพระอาจารย์มันเหมือนครับทําให้เราได้ฝึกเยอะมากเลยค่ะมันเหมือนใจมันก็เพื่อมอยู่ตลอดเวลานะคะพระอาจารย์เอ่อมันจะเห็นมันอ๋อมาตรงนี้ก็ไปนะอีกอย่างหนึ่งละอันนี้อีกอย่างหนึ่งบางทีก็เห็นเอ่อเหมือนเหมือนเหมือนเด็กนะค่ะพระอาจารย์ที่ที่แย่ง บางทีก็เป่งของกันบางทีหนูก็สัมเหมือนกันนะครับอาจารย์ว่าโอ้ใชแล้วพอไปถึงขนาดหนึ่งก็จะกลับมาเป็นแบบนี้อีกละเด็กก็คือเริ่มที่จะโตก็เหมือนเหมือนเหมือนเขาเป็นเป็นเพื่อนล่นกันนะครับอาจารย์หนูก็เลยแบบอ๋อโอเคก็ไม่เป็นไรก็ต้องฝึกไปแล้วก็ทําให้ตัวเองแบบนิ่งหรือว่า ต้องอดทนเนี่ยขึ้นมากๆเลยอะค่ะอาจารย์ได้ได้ตรงนี้เนี่ยเยอะมากเลยค่ะพระหนูก็คิดอยู่นะครับว่าอะไรก็ตามคือคือได้เห็ดูแลในบ้านเนี่ยเยอะไม่ว่าหมาว่าคนหรืออะไรอย่างเง้ยหนยังมานั่งคิดกับตัวเองอว่าโอ้เกิดมาเนี่ยเรามาใช้ตัวเองนะคะคิดนะครับอาจารย์หนาจจะมาใช้เวรใช้กรรมอะไรประมาณนี้อ่ะคะ่ะทุกคนมีเวรมีกรรมติดตัวมาตั้งแมาั้งแต่ม า, ามากหรือน้อยเท่าไหร่ ค่ะพระอาจารย์หนูก็หันไปมองอ้าวพี่น้องคนอื่นเขาก็ยังไม่ได้เจอขนาดนี้ทำไมเราเจอเยอะจังอะไรอย่างเงี้ย<ม>แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็ดีแล้วค่ะที่ที่เกิดขึ้น ม, มันก็ทําให้เราได้ได้นิ่งขึ้นเยอะอะค่ะทำจาจ<อ>ยอมรับไปยอมรับวิบากกรรมขอาไปค่ะพระอาจารย์หนูก็คิดอย่างงั้นบางทีหนูก็คิดว่ามันเหมือนบุญกับบาปอยู่ในที่เดียวกันตัวตัวหนูนะคะคิดพระอาจารย์<ม>เพราะว่า มันทําให้เราเหมือนแบบว่าเหมือนใจเราจะไปคิดแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาคือไม่ดีอ่ะค่ะพระา mm hmm. อาจารย์อันนี้ก็ไม่ดีทําต่อไปก็อ่ะจะเสียโอจะไปทางไหนดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด่ะคะ่ะพระอาจารย์ก็ไม่ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไปคิดเราก็จะไม่ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็จะกลายเป็นบาปหรือซ้ําไปอะคะ่ะ mm hmm. ไม่รู้ว่าคิดผิดคิดถูกอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ป่า ง, งปล่อยวางไปหาพระอาจารย์ก็ก็ทำให้ปล่อยวางได้ได้ค่อนข้างที่จะเยอะแต่บางทีมันมันเหมือนกับว่าเราต่อสู้กันอยู่ในใจอะค่ะพระอาจารย์มันมันเหมือนกับมันเหมือนมีแรงกระแทกอยู่ตลอดเวลาหนูก็เลยอ๋ออโอเคก็ไม่ไม่เป็นไรบางทีก็ใายใจลึกๆเดินหน้าต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆ อ, อ, อยู่กับตัวเอง แล้วก็มาฝึกแล้วก็มาคิดเนะี่ยให้ให้เยอะบางทีมันทั้งทั้งทางทางทางวาจาก็ต้องเหมือนหนูว่าทางวาใจารเรายังแบบเงียบได้แต่ทางข้างในเนี่ยบางทีเนี่ยมันมั น, ม, นมันไม่ได้เลยนะครับอาจารย์มาสู้กัน อ, อยู่ตลอดเวลาก็ใช้วิธีการอืมเงียบไปแต่บางทีในใจว่าโอ๊โอดคิดไม่ได้ก็บาปีละหนูว่าอย่างเงยครับหนูก็ไม่รู้ว่าจะอะไรยังไง แต่ว่าก็ดีสติปัญญาเรายังไม่ทันมันค่ะแต่คืนหนูก็คิดว่าอ๋เราจะต้องอดทนต่อไปก็ต้องใช้สติแบบที่พระอาจารย์บอกนะคะปัญญาต่อไปที่ตื่นขึ้นมาเมื่อคืนหนูก็มานั่งหลับตาแล้วก็คือ น, นั่งทาสมาธิอะค่ะนั่งสมาธิบางทีมันก็คือเหมือนมันฟุ้งอยู่ตลอดเวลาทั้ ง, ท, งที่เราก็เออ ทำใจแบบสบายๆหรือว่าเราเป็นห่วงหรือว่าเราอะไรเยอะมากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์หนูกว่าอ๋ออาจจะเราเรายังแยกไม่ได้วางไม่ได้แต่บางครั้งมันก็ได้นะครับพระาอาจารย์เหมือนเหมือนเหมือนแรงกระแทกหรือแรงแรงกระเพื่อมที่หนูบอกแหละครับพระอาจารย์อยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ค่อยค่อฝึกต่อไปค่ะพระอาจารย์จากคําสั่งสอนของพระอาจารย์ที่ที่ได้ไปแต่ละครั้งหนูก็ จะได้มาทีละเล็กละน้อยแล้วก็มาฝึกอ่ทั้งต่อตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยที่อยู่รอบข้างนี้และค่ะพระอาจารย์เป็นอะไรที่ทําให้เราได้ทําอะไรเยอะมากค่ะโอเคดีมากคระอาจารย์หนูก็จะฝึกต่อไปค่ะโอเคพระอาจารย์จะคุ้นกีตาต่อคนกีตาจน กลับมาเศการพระอาจารย์ค่ะช่วงเช้าได้มีโอกาสไปใส่บาตรค่ะพระอาจารย์ช่วงระหว่างวันที่รอฟังเทศก็ไปนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ค่ะพระอาจารย์อืไมไปนั่งสมาธิที่ไหนนะที่ที่โบสถ์ที่วัดเลยค่ะพระอาจารย์ระหว่างรอค่ะคนไม่เยอะเหรอที่โบสถ์เยอะไหมก็มีคนมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าหนูก็นั่งตรง ตรงมุมที่เป็นมุมสงบแล้วก็นั่งสมาธิไปประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไปนั่งที่ที่หน้ากุดค่ะเออเป็นยังไงดีไหมวันนี้ได้ได้ปฏิบัติได้ฟังเทศฟังธรรมได้ใส่บาตดีมากเลยค่ะพาคุณแม่ไปด้วยค่ะตอนเช้าก็อยากให้คุณแม่ได้ใส่บาตได้ได้นั่งคิดด้วยกันได้มาฟังธรรมจากพระอาจารย์นะคะอืม คุณคุณไว้อย่าลืมมารายงานรายงานผลการปฏิบัติช่วงค่าด้วยเป็นยังไงบ้างอะค่ะก็ยังยังพยายามยังพยายามที่จะฝึกสติแล้วก็ต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับกับความอยากค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ไม่ได้ง่ายมากหนักแต่ว่าก็ตั้งใจทําอย่างที่พระอาจารย์สอนตอนท้ายว่าป๊บก็ยัง ยังให้ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าค่ะอืมไปยอทอค่ะจะพยายามมีความเพียรต่อไปนี yeah. มันต้องใช้เวลาต้องอดทนต้องใจเย็นๆนะค่ะไ ม, ไม่ใช่ทําปุ๊บจะได้ปั๊บนอกจากเป็นกรณีพิเศษแล้วเป็นแล้เป็นพูดได้สะสมบารมีม า, มากเนี่อาจจะทําปุ๊บได้ปั๊บไหนก็ได้ค่ะ อย่างพวกที่เป็นบัวเหนือน้าํานั่นเองเขาพอได้ฟังธรรมปั๊บเขาก็บรรลุได้เลยค่ะยังไม่บรรลุก็เราแสดงว่าเราต้องต้องสร้างบา ร, รมีต้องปฏิบัติสติให้มากเป็นนั่งสมาธิให้มากขึ้นก่อนค่ะค่ะช่วงที่เข้าสมาธิรู้สึกสงบก็ก็รู้สึกดีมากเลยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าช่วงที่ที่ออกจากสมาธิก็มีความปุ้งซ่านแล้วก็มีกิเลสมีความอยาก ก็ น, น่าจะปกติแต่ว่าแต่ว่าก็ก็พยายามรู้ทันแล้วก็สุดท้ายก็กลับไปฝึกสติเหมือนเดิมค่ะปัญญายไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่าโอเคเอาสติไว้ก่อนนะสติก็อยู่กิเลสได้แต่มันยังไม่มยังไม่ได้กาจัดอย่างท้าวรถ้าเป็นปัญญามันก็จะกาจัดได้อย่างท้าววรค่ะแล้วคือจะเรียนถาพระอาจารย์ว่าคือถ้าเกิดเรามีมีโทสะคือโทสะอย่างเช่นประเภทที่เป็นทางเรื่องของความ ความอ่าความโกรธหรือว่าความเจ้าหรือว่าความความท้อถอยนะคะปฏิบัติแล้วยังไม่ได้เห็นผลสักทีหรือว่าคือเราแพ้กิเลสอีกแล้วแพ้ความอยากอีกแล้วเนี่ยะอาจารย์แนะนําไม่เกิดจากความอยากที่จะได้ผลเราก็ต้องอย่าไปอยากว่าทําไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น่เ อ, อย่าไปหมายมั่นปั้นหรืว่าว่านั่งปุ๊บจะต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้ขึ้นมาพอไม่ได้มาเกิดความท้อท้อแท้ขึ้นมา งั้นอย่าไปอย่าไปอยากทําทัาที่เราทําไปตามกําลังแล้วผลมันจะได้ตามเหตุที่เราทํามันไม่ได้ตามความอยากของเราค่ะพระอาจารย์จะมีความเพียรต่อไปค่ะพระอาจารย์อืเพียรได้แต่อย่าไปอยากให้มันได้ผล อ, อย่างนั้นได้ผลอย่างนี้เราก็เพียรทําไปผลมันก็จะตามมาตามความเพียรเพียรมากมันก็จะได้มากเพียร น, น้อยมันก็จะได้น้อย ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยววันเสาร์นี้ก็ตั้งใจจะจะถือสินแปะค่ะพระอาจารย์อ่าเ yeah, นี่ยสาธุวัจจะขอบคุณพระอาจารย์ค่ะขอพระอาจารย์ทัดขันสินแปะอ่าแล้วจุคุณนักกรเชิญคุณนักกรต่อเคยเข้ามาหรือเปคุณนักกรจำไม่ได้อ่าเคยเข้ามาตอนช่วงโควิดค่ะพระอาจารย์ค่ะหลายปีแล้วใช่ใช่ค่ะแล้วก็ ที่จริงก็ฟังอยู่ตลอดแต่ว่าไม่ได้เข้ามาในซูมค่ะแล้วก็ที่เข้ามาในซูมวันนี้ก็จะเป็นวันพระใหญ่วิสาขาบูชาก็เลยเข้ามากราบอาจารย์ค่ะไม่มีคำถามอะไรนะไม่มีคำถามมีการเปลี่ยนแปลงปีนี้ค่ะเดือนมีนาคมไปปฏิบัติธรรมมายาวนานที่สุดที่ที่ทำมาก็คือสิบวันแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มนั่งสมาธิค่ะ แล้วก็มีความรู้สึกว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมันทำให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นประมาณนี้ค่ะยังยังปฏิบัติอยู่แล้วก็เข้ามาขอพอรจากพระอาจารย์ค่ะยขอให้พยายามทำปฏิบัติให้มากๆแล้วความเจริญจ้าหน้าทางด้านจิตใจก็จะปรากฏตามขึ้นมาอมขอไม่ได้เขาไม่ต้องปฏิบัติต้องทำ <c oughs> ให้กาลัง<ร>ใจงได้ให้ให้แนวทำได้ แต่เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองขอบคุณค่ะพระอาจารย์ค่ะสาธุสาธุาค่ะเป็นไปได้คุณภาะสกรเจิเป็นภาสกรอยู่ที่ไหนมณนีนยมรนมสาการนะครับอยู่กรุงเทพครับไม่ทราบได้ยินเสียงไหมครับชัดเจนมีอะไรไหม ก็คือเคยไปนั่งฟังที่พระอาจารย์อแสดงธรรมหลายครั้งเคยพาคุณแม่ไปด้วยครับ mm hmm. ก็คื อ, อตอนนี้คือมาปฏิบัติอยู่ก็อยู่ที่บ้านบ้างแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไปปฏิบัติที่วัดป่านาคําน้อยมาครับอยู่ได้เก้าวัน mm hmm. ก็มีความรู้สึกว่าไปปฏิบัติที่นั่นแล้วเหมือนผมก็ไม่มั่นใจว่าไม่ พอพ ร, ะ, พระไม่เคยว่าเข้าถึงสมาธิหรือว่าขณิการสมาธิอะไรพวกนี้ครับมันเหมือนเป็นจิตมันดิ่งลงไปเราก็เอ้ยมันน่าจะใช่ว่ามันดิ่งมันนิ่งลงไปสักพักแล้วก็เอ้ยอยากให้นิ่งอยากให้นิ่งอยา่างเงี้ยมันก็หลุดออกมาเลยอืมครับเดี๋ยวาไปอยากต้องกำหนดสติอยู่กับพุทโธอยู่กับลมไปครับก็พอจากนั้นก็ได้ครั้งหนึ่งได้ได้นิ่งเข้าไปครั้งนึงจากนั้นก็ไม่เคยได้อีกเลยครับอืม มันก็ทำยังไงมันถึงจะควบคุมจิตให้มันได้นิ่งได้อยู่นานนะครับก็อย่าไปคิดถึงคราวที่แล้วเวลาเราทำอย่าปยากให้มันเป็นเหมือนคราวที่แล้วใหลืมมันไปเลยให้เรามาเริ่มต้นใหม่ให้อยู่กับพุโทโธไม่อยู่กับลหมหายใจเราใช้อะไรเราก็ใช้อย่างนั้นไปครับก็จะใช้พุทโธกับลมหายใจอยู่อ่าไม่ใช้ไปนะแต่อย่าไปคิดถึงความสงบที่เคยได้แลวอย่าปยาดให้มันสงบ แล้วอยากกลรียนถามพระอาจารย์อีกเรื่องเรื่องของการเดินจงกรมะครับผมก็ใช้พุโทโธพุโทโธเหมือนกันนะครับแต่พอเดินมันก็จิตมันไม่นิ่งเลยมันแวบออกไปเรื่อยก็พอใชอ้ผมได้เคยฟังพระอาจารย์บอกใช้สวดอิตพิโสเอาพอสวดอิตปิโสมันก็จะนิ่งอยู่ครับพอออกจากอิตพิโสมาพุโทโธมันก็ยังไม่ได้เหมือนเดิม ก็อยากเรียนถามว่าในการเดินจงกรมเนี่ยมันเหมือนการทําสมาธิมันจิตมันนิ่งเป็นเหมือนเอกะคตาหรือแบบนั้นเหมือนกันหรือเปล่าครับวัตถุประสงค์ของการเดินจงกรมคืออะไรครับก็คือให้มันสงบแต่มันไม่อาจจะไม่สงบเท่ากับเวลานั่งเพราะเวลาเดินเรายังต้องใช้ความคิดสั่งการให้ร่างกายขึ้นไหวอยจิตก็จะไม่นิ่งสงบเท่ากับเวลานั่งแต่มันก็ทําให้มันสงบมาให้มันให้มีสติมากขึ้น มันก็มา น, นั่งสมาธิเพียงแต่เดินสมาธิแทนนั่นเองแต่ผลที่ได้จากการเดินสมาธิมันจะไม่สงบเท่ากับการนั่งสมาธิอ๋อครับแต่นั้นก็สงบอาจจะสงบห้าสิบเปอร์เซ็นแทนที่จะสงบร้อยเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยอืมมันจะไม่เด็กดวงสักแต่ว่ารู้เป็นเป็นอัปปนาสมาธิอันนั้นมันยากอืมครับแต่มันจะทําให้ใจเราไม่ฟุง้งทําให้ใจเรา อ, อยู่ภายใต้การควบคุมของสติเราได้ ตอนนี้ก็มีปัญ ห, หาเรื่องของการนั่งสมาธิคือต่อสู้กับความเจ็บปวดความเจ็บปวดของแขล้งขาอะไรพวกนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะโอ้ยากมากคระะัระะบส่วนอยากจะแพ้ก็พยายามลองใช้บทสวดอดีปีโซเดีดยก็ได้เวลามันเจ็บปวดช่้นมาอ๋อครับถ้าเราอยู่กับบทสวดได้เดี่ยเราจะเริ่มอาการเจ็บปวดนั่นก็อยู่กับมันได้ครับครับจะพยายามต่อไปครับก็ฟังแนว ถ, ถ้าคุณถ้าคุณสะดวกกับการใช้ ATP สโซก็ใช้ ATP สอซส่วนได้เดินก็ได้นั่งร้อเจ็บ ก, ก็ส่วด ATP สอซไปก็ได้ครับผมครับผมพอได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์แล้วรู้สึกอยากที่จะเข้าไปบวชอยู่ในล่มโพพระพุทธศาสนาเลยครับก็น่าจะไปนะถ้าไม่มีพระอะไรติตขัดก็อยู่ไปทำไมทั้งโลกทั้งโลกก็มีแา่ <laughs> ความทุกข์นั้น ก็มีอยู่สองเรื่องครับคือหนึ่งเรื่องของการจัดการแบ่งเรื่องของทรัพย์สินแรงต่างนะครับ mm hmm. ว่าจะให้มันลงตัวยังไงดี mm hmm. ก็คือถ้าจะทิ้งไปคือกองทัพทำงพ่อเจ้าเสร็จทิ้งไปเลยมันตายจากเขาไปเลยให้เขาแบ่งกังนเอาเองครับพยายามทําใจตรงนี้อยู่ครับอยาก mm hmm. อยากให้มันมีกําลังใจที่มันเข้มแข็งกว่าเนี้ยครับ mm hmm. ถึงจะตัดแล้วให้ไปได้เลยแบบเนี้ครับ ก็คิดถึงความแก่ความเจ็บความใจบ่อยๆครับครับผมก็พยายามครับก็ฟังธรรมะของพระอาจารย์ทุกวันนะครับที่ที่วันทั้งวันเสาร์วันที่ถึงวันวันพระครับก็มีโอกาสเดี๋ยวจะไปปฏิบัติที่วัดยานอีกครับได้เชิญเลยโอเคขอบพระคุณครับจ้าจุ๊บคุณจอยวันเนี้ก็มาใส่บาตร อาจเช้านี่คนใทยบาทถึงพันเลยไหมหนูยังว่าอยู่เยอะมากเพราะทก่ยวที่ไปวันพระธรรมดาคือไม่เยอะขนาดนั้นมันพิชาคาวันพิเศษไงค่ะหนูเห็นหนูยังคิดเลยว่าพระอาจารย์จะกลับจะได้ฉันเข้าวอชั่วโมงตอนเช้าตนเช้านี่บินถึงบ่ายยังตีห้าสี่สิบห้าถึงเจ็นโงสี่สิบ้าโอเกือบถึงวัดเกือบแปดมเลยใช่ไหมคะับ ไปมองการ์ดไดนิดหน่อยค่ะของหนูก็วันนี้ก็ปฏิบัตินั่งสมาธิกับป้าก็เป็น น, นั่งสมาธิได้ไหน ม, มนั่งได้เลยค่ะนั่งได้แล้วค่ะมีนขึ้ น, นค่นคะแต่ก็รู้ตัวบ้างก็ไม่ ร, มรู้ก็เหมือนเหมือนคนอื่นนะพอแต่ก็พอควบคุมเองได้ค่ะอืคอยควบคุมใช่คอยเจริญสติ บ, บ่อยๆก่อนที่จะมานั่งค่ะหนูจะพยายามนึพยายามคิดตลอดว่า ไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราทุกอย่างมันมันมายาพยายามคิดอยู่ม่ปล่อยวางค่ะจะได้แบบไปบวถได้เร็วๆไม่แน่นะใครไปรู้วอนเราถเวลาขึ้นมามันก็ไปของมันเองค่ะเหนือ่อยากให้นั่นถึงวันนั้นหนูก็มันมีแต่ความทูกอแบบไม่พรจะเจ้าถึงเวลาก็เปิดเลยนะพอได้ลูกมาเพาก็ไปเลยค่ะหนูก็คิดอยู่ว่าอมท่านใจท่านไม่เหมือน เด็ี่ยวมากเลยนะไปแบบไม่คิดอะไม่คิดแล้วก็คูอมันดีะอ ะ, ะค่ะให้นคงจะชิดแต่แต่เราไม่ได้รู้ว่าจะคิดอะไรเลยเราจะคิดเหมือนเราแต่ถ้าน<ช>จะคิดว่าอยู่ก็ตาย <c oughs> ไปก็ตายช่วยเป็นตายแต่แตแตยังไง อ, อยู่ก็ทุกข์ถ้าไปแล้วมันอาจจะไม่ทุกข์ถ้าอะไรตัดสินใจไปก็ได้นะค่ะเพราะหนูว่าหนูมองทุกวันหนูเห็นคือป้าคือแก่แล้วก็คือทุ ก, ทกคนก็คือทุกคนก็ทุกหมดมทุกคนไม่เห็นมีใครแบบ ไม่ถูกสุขคนค่ะโอเคก็ได้พระอาจารย์ค่ะถาธุค่ะคุณศักดิ์สิทธิ์เจนอยู่ที่ไหนคุณศักดิ์สิทธิ์บ้ายได้่ใงอันมิวโอเคการรับราชการผู้แม่ขุจารครับผมอยู่จังหวัดปทุมธานมครับปมานมอยู่ไกลนะครับผม เคยเข้ามาป่ะเคยเข้ามาประมาณสามสี่ปีที่แล้วอัะอ่าี่เป็นศรธรราแพทย์หรอนีล่ก็เป็นอะไรนะไม่ใช่ครับผมเป็นผมรับราชการครับอ่าโอเคมีอะไรัหมไม่มีอะไรครับวันนี้โอกาสพิเศษปกติฟังแค่ไลฟ์สตรีมครับผมแต่วันนี้อยากเข้ามาเพราะไม่ได้ไปวัดได้มาพวกรายการที่สองนี่ โอเคถ้าไม่มีอะไรก็ไปต่อนะคุณน้อนล้ตัตตะวุฒิปรับน้ำสกันพระอาจารย์ครับไ ง, ไง่าๆจิตใจตรงนี้สงบดีไหมครับก็สงบอยู่ครับอ่ายังมีความวุ่นวายบ้างครับแต่ว่าก็ก็ก็ก็ขันตินครับ ไม่วุ่นวายไปกับมานก็แล้วกันนะทํานิ่งเฉยไว้สนใจว่ารู้ไปถักพยายามปล่อยอีกครับนะฮะก็ก็พอไปได้อยู่ทุกแม่นเบือไม่ได้ใช่ครับนเบอไม่ได้ก็ปล่อยก็เป็นไปตามในของเขาไปใช่ครับใช่ครับอพยายามดูเป็นฝนเป็นฟ้าอย่พี่พพทยาจันบองครับมางทีมันก็คิดบางนิดหน่อยแต่ว่าเขาพยายามะปล่อยไปครับปล่อมันจะเร็วขึ้นจะเร็วขึ้นยัเลยอ้าครับผมอะ ครับนะครับคงไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวมันก็เป็นพายุเข้ามาก็ต่้องมาจะเจอรูปใหญ่หน่อยอันนี้ก็ต้องติดแล้วก็ทําำบุญทำกุศลไปเจออะไรอย่างนี้ไม่ได้คาดชิดเนี่ยโลกนี้มันมาแบบไม่เราไม่มีปีไม่คุยเลยใช่ครับใช่ครับนะเพราะเราก็ใช่ครับคุณจะอยู่กับโลกก็บุ่นกับโลกครับไปเห็นความทุกข์ของโลกครับ ก็เป็นข้อดีอันหนึ่งมองให้เป็นธรรมครับ <Okay. S 1> นะต้อย่างเป็นไปรักมนนะ <S <S ครับผมครับนะใช่ครับโอเค <Okay. S 1> ขอบคุณพร <Okay. S 1> ะเจ้าขุนเจ้าจ้าเชิญถอนั้ินตอนนี้หายหนาวยังที่พอนเงินยางไม่ม แต่ว่าเทศกาลค่ะอาจารย์ตอนนี้เอ่อช่วงนี้ดีขึ้นมากค่ะช่วงนี้ค่อนข้างอุ่นแล้วแต่ว่าก็ยังมีบางบางวันที่เอ่อยังแอบหนาวอยู่ค่ะมาเป็นสปริงไว้ใช่หช่วงนี้ใกล้จะซัมเมอร์แล้วค่ะใกล้จะซัมเมอร์ใกล้ค่้ า, า, ามเประมาณนั้นค่ะใช่ก็เริ่มมีแดดเริ่มฝนน้อยลงอะไรอย่างนี้อาจาหนูเอ่อมีคำถาม ให้เพื่อนค่ะคือหนูมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาอชบดีว่าเขามีพื้นฐานเป็นคนดีคือเขาไม่ชอบกิจกรรมที่เป็นพวกกิงนกตกปลาฆ่าสัตว์เป็นคนที่แบบค่อนข้างออนแอแบบไม่โกหกอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นไม่เอาเงินอะไรแบบเนี้ยคือแต่ว่าปัญหาคือเขาไม่มีความเชื่อในพุทธศาสนาในแง่ว่าเออ่ วัาจิตเราจะมีการเกิดการตายอีกรอบไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์แล้วเขาเหมือนมีความเชื่อว่าศาสนาทุกศาสนาถูกเหมือนเหมือนเป็นเครื่องมือที่ผู้มีอำนาจเอามาใช้ควบคุมคนเขาไม่ศรัทธาตรงนี้ค่ะทีนี้เขามีปัญหาดิเ e ร s ชันแล้วทุกครั้งที่เขาคุยกับหนูอ่ะหนูก็พยายามจะแจ้งให้เขาดูว่าเนี่ยมองไม่เห็นหรอว่า ที่บอกว่ารู้สึกว่าคนไม่สนใจรู้สึกว่าคนไม่เคารพหรือว่าเจ้านายไม่เห็นคุณค่าเนี่ยทั้งหลายเนี่ยมันคือเราเองนั้นที่อยากมันถึงได้ทุกข์คือหนูก็พยายามบอกเขาว่าแบบไม่ได้แปลว่าไม่ให้อยากแล้วก็ปล่ปละเลยก็คืออยากทำอะไรก็ทำสิเช่นจะลาออกไปหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่แต่ก็แค่ควบคุมใจตัวเองเราจะได้ไม่ทุกข์แต่ว่าหน้าที่เราก็ทาต่อไปอะไรเนี่ยเขาก็ว่าหนูว่า เหมือนแบบหนูเ อ, อะไรอะไรก็เอาแต่เรื่องพุทธศาสนามาโยงกับชีวิตแล้วเขาก็เหมือนรู้สึกว่าดิ p r e s s i o n ของเขาอะเป็นโลกมันไม่ได้เกิดจากติตมันไม่ได้เกิดจากเขาเขารู้สึกว่ามันเกิดจากคนอื่นทําให้เขาเป็นหนูก็อยากถามพระอาจารย์ว่าหนูจะช่วยเขายังไงดีค่ะพระอาจารย์ถ้าเขาไม่เชื่อทางพุทธศาสนาเขาเป็นบัวบัวใต้น้ำไงบัวอยู่กับคนต่มช่วยไม่ได้<ต>คนจะให้นี่มีความคิดเห็นของเขา อยู่อย่างนั้นไปเปลี่ยนความคิดเฉยเพราะยากแต่เขาเป็นเขาเรียก ม, มิจฉาทิฏฐิก็เลยไม่เห็นความจริงว่าความทุกข์ของเขาเกิดจากตั้หาความอยากของเขาเองอเขาก็ปฏิเสธถ้าปฏิเสธหลักความเป็นจริงอันนี้มันก็แก้ไขา ย, ยากใช่ไห ม, หมนั่นสิคะอหนูก็รู้สึกว่าก็ ก็ยังโชคดีว่าเขาเป็นคนดีโดยพื้นฐานอย่างน้อยเขาก็ไม่ทําบาปเพิ่มแต่ก็ก็ยังดีเขาก็เขาก็<ม>าาอย่างน้อยก็ไม่ไปไม่ไปตกนรกไม่ไปอะไรถึงแม้เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามก็ไม่เป็นประเด็นทั้งนั้เอันเดแต่ว่าเรื่องของความทุกข์เรื่อ ง, องความความซึมเศร้า depression นี่มันเกิดเป็นปัญหาทางทางจิตใจจะต้องแก้ด้วยการภาวนาท่านชำระใจให้สะอาดกำจัดความโลภกดลงมันจะหาย แต่ถ้าเขาไม่แต่เขาไม่เชื่อศาสนาก็เหมือนเขาไม่เชื่อยาไม่เชื่อหมอ่ะคก็ทำอะไรไม่ได้หมอก็ช่วยเขาไม่ได้ยาก็เขาก็ไม่กินให้เขากเขาไม่กินก็ต้องรออีกสักวันหนึ่งต้องรอเพราะสักวันหนึ่งอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้อืมทั้งๆนี้เขาไม่ภาวนาไม่ได้ฝึกสติมันจะมีวันที่เขาเปลี่ยนใจแล้วค็แบบนั เกือบจะไม่ใช่ในชาตินี้อ่ะนะคะคือหนูก็ก็ไม่รู้เหมือนกับมันต้องอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วมันอาจจะทําให้เขาคิดได้ก็ได้เพราะสำคัญเราอย่าไปเอาเรื่องที่เราเราพิสูจน์ไม่ได้มามาคุยเช่นเรื่องเรื่องงานรบเรื่องสวรรค์เรื่องพบหน้าชาติหน้าเป็นเรื่องที่อาจจะพิสูจน์ยากว่าให้เขาพิสูจน์ว่าได้เขาทุกข์เนี่ยเขาสามารถทําให้ใจหายหทุกข์ได้ถ้าเขาเพียงแต่ทําใจให้สงบเท่านั้นนะ แต่ถ้างแต่นถ้างเขาไม่ยินดีก็อย่าไปสอนเขาเลยเดี๋ยวยิ่งยิ่งยิ่งไปยั่วยียดให้เขาเขายิ่งต่อต้านใหญ่ใช่ค่ะแต่หนูก็พยายามกลางๆแบบไม่อยากจะอยาชัยเพราะว่าหนูก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นคือยิ่งทุกวันนี้ก็ยิ่งไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยแต่หนูก็บอกเขาว่ามันคือตัวเขายังไม่แม้แต่จะลองสงบใจเลยมันเหมือนอแบบถ้า ถ้าเราอยากรู้ว่าวันเนี้ยอุณหภูมิเท่าไหร่แต่ว่าเรามีแค่ไมบ้บรรทัดอะ่ะเราจะเอาไมบ้บรรทัดมาวัดอุณหภูมิมันก็ไม่ได้หนูก็บอกเขาว่าลองสมบใจดูก่อนสี่ลองแบบเนี้ยไม่ต้องพูดโทนเลยคือถ้าเขาไม่เชื่อไม่ชอบเขาว่าพูดโทนไม่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาไดูร่มแตานนะะ่แบบดูร่มมั่นใจแอ่ะก็อาจารย์เขต้านอะค่ะอาจารย์หนูก็เลยนึกว่าเผื่อมีอะไรช่วยได้แต่ก็โอเคเข้าใจละค่ะคือถ้าเขาเขายังเป็นบัวชนิดนี้อยู่เราก็ ได้แค่ทำหน้าที่เท่าที่ทำได้ก็อืมก็เป็นเพื่อนไปฟังไปก็เราแนะนำเข้าไปแล้วถ้าเขาไม่สนใจก็ต้องปล่อยไปต้องปล่อยไปผ่านไปไม่แน่วันใดวันหนึ่งเขาอาจจะกลับมาถามใหม่ก็ได้เพราะเราก็เคยมีญาติพี่น้องบางคนเขาก็มาหาเราแล้วเขาก็ว่าเอาหานังสือไปเขาบอกเอาไปเขาก็ไม่ได้อ่านก็เอาไปเก็บเก็บไว้วันหนึ่งเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเขาไม่รุด หาอมาแก้ความทุกข์เขาเอาอะไรลองอ่านหนะังสือธรรมะดูเ <Yeah. S 1> ขา อ, อ่านนะเออเขาเข้าใจโอ้ความทุกข์มันเกิดจากความอยากของเขาเอง <Yeah. S 1> เขาอะไรเแล้วรู้จักวิธีแก้ความทุกข์ของเขาได้ mm hmm. okay. ดอืมโอเคดลองเอาหนังสือไปให้เขาดูดีกว่าเผื่อเดี๋ยวเขาไปโยที่ให้เขาเดี๋ยวเขาไปโยนที่ <สน>คืออย่าไปอย่าไปอะไรกับเขาเลยเรื่องนี้เดี๋ยวเขาจะหา <Okay. S 1> ว่าเราพยายามที่เพวกนี้เขากลัวว่าเราจะไปดึงให้เขาเขารัที่เข้าใจไหมเขาที่ว่าเราเชื่อรัดที่งมงายแล้วเขาม่อยากจะมีส่วนที่จะต้องเข้าไปร่วมกับเราด้วยอกลัวมากก็ตัวใครต่อมันเนะะาะคั้นนี้ก็นอกจากเข้ามามาถามมามาอะไรก็ค่อยบอกก็ดีกว่าแต่เขาไม่สนใจก็อย่าเลยคนบางคนเขากลัวศาสนานะั้น เฉพาะที่อเมริกาเนี่ยคนกวศาสนายเยอะใช่คะ่ะ politics กับ r e l i g i o s, <c oughs> <S นี่คือเป็นอะไรที่หก <c oughs> แต่แขวา<อ><น>ใจ ก, ก็อย่าไปอย่าไปยุ่งกับเขาเลยอย่าพูดเรื่องนี้ดีกว่าอ่าได้คะ่ะทีนี้หนูเลยถก ข, ขึ้นมาเรื่องของความมีอุเบกขาค่ะพะอาจารย์เดี๋ยวข อ, ข อ, ข อ, ขอดูเวลาแป๊บนึงอ่าถ้าเกิดว่าเราสร้างอุเบกขาขึ้นมาได้แล้วให้ให้เราอย่างเนี้ยค่ะในการนี้คือหนู แต่ก่อนนุเคยเป็นห่วงเพื่อนคนนี้มากถึงขั้นหนูรู้สึกทุกข์ใจเพราะหนูรู้สึกว่าเขามันเป็นคนในครอบครัวของหนูอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกวันนี้หนูรู้สึกว่าหนูมีอุเบกขามากขึ้นหนูวางใจได้แต่คําถามของหนูคือความมีอุเบกขาเนี้ยมันจะหายไปได้ไหมคะพระอาจารย์ครับใจถ้าเกิดจากสติก็หายได้ถ้าเราไม่ฝึกสติอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่เข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆมันก็จะหายได้ค่ะเสื่อมก็เรื่อยขิดเสื่อมเนี่ยออแต่ถ้าเราได้อุเบกขาจากปัญญานี่มันจะไม่เสื่อม ถ้าเราเห็นว่าเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เราก็จะเราก็จะวางอุเบกขาไปตลอดเนีคยถ้าเป็นอุเบกขาจากปัญญาปัญญาก็ต้องเห็นไปรลักษณ์มันก็จะได้อุเบกขาแบบเท้าวอนถ้าได้อุเบกขาจากการฝึกสตินั่งสมาธิถ้าวันไหนเราไม่นั่งสมาธิมันก็เสื่อมลงได้ ใช่เข้าใจอะค่ะเพื่อความปลอดภัยก็ฝึกกติต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกเงคอนี้อาจจะไม่ใช่ปัญญาใช่มองทุกอย่างให้เราเป็นตายัะแล้วช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปตามบุญตามกรรมของเขาไปค่ะโอเคขอบพระคุณมากค่ะพระอาจารย์วันนี้มีคำถามทน้งหมดจากทุกค่ะโอเคตอนนี้ก็สบายดีคุณคุณละตอไม่ครัไม่กี่คำถามคุณละ กรับนมัสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดหกคำถามเจ้าค่ะสามคำถามแรกเป็นคำถามฝากถามกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะคำถามข้อที่หนึ่งเวลาถวายของให้พระพระสวดให้พรและสวดแผ่ส่วนกุศลขณะนั้นควรตั้งจิตไว้อย่างไร เราควรกำหนดที่เสียงที่พระให้พรหรือน้อมจิตคิดถึงคนที่เราจะอุทิศให้หรือทำทั้งสองอย่างคะกราบขอบพระคุณคะ่ะก็เวลาพระสวดให้พรแล้วก็ฟังไปเหมือนกับเราฟังเทศไปรับพรไปสว่วนการอุทิศนี้เราอุทิศเวลาไหนก็ได้ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับการสวดของพระแต่อย่างใดแต่เขาเขาเข้าใจผิดกันคิดว่า การทิศบุญให้ได้สำเร็จจะต้องมีพระมาะสวดให้ด้วยมันจังไม่เกี่ยวการอุทิศบุญนี้เราสามารถอุทิศพัในใจเราได้ทันทีหลังจากที่เราทำบุญแล้วจะมีพระมาะสวดไม่มีส่วนวนี้ไม่เกี่ยวกันไม่ไม่เป็นประเด็นนะแต่ถ้ามีพระสวดเราก็แสดงความเคารพด้วยการรับฟังเหมือนเราฟังเทศฟังธรรมไปคำถามข้อที่สองการรักษาศีลข้อสุรา เราทานอาหารขนมที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่เจือจางไปแล้วจะผิดศีลไหมคะน่าถือตามความสำหรับความจริงมันก็ยังผิดอยู่เพี็นแต่มันอาจจะผิดน้อยสุราจะมีแค่นิดเดียวหยวดเดียวสองหยดมันไม่ได้ทำให้เกิดอาการเมืองมาขึ้นมาได้แต่ถ้าเราอยากจะรักษาให้มันบริสุทธิ์เราก็อย่าไปกินเหมือนท่านเองค่งคข้อที่สา ถ้าดื่มสุราแต่ยังไม่ได้กระทําผิดถือว่าบาปหรือยังคะไม่บาปหรอกในการเดินชโลานี่มันบางทีเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วอยากจะทําผิดมันจะไม่มีสติยับยั้งได้ถ้ามันเกิดอาการเมินเมาขึ้นมาดังน้นบางจีเราอาจจะไเร า, า จ, จะไม่รู้ว่าเราเกิดอาการมิ น, นมเมาขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราดื่มไปเ็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดก็อย่าไปดื่มมันดีกว่า คำถามต่อไปจากคุณแจมแราจารนคะกราบสอบถามคุณพ่อเพิ่งเสียคะ่ะแต่รู้สึกเป็นทุกข์ไม่รู้ว่าท่านไปสบายหรือไม่คะ่ะขอคําแนะนําเจ้าคะ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านไปเราไม่คนที่จะไปกังวลว่าเราไม่มียาอย่างทรางคำถามต่อไปจากคุณฐานอยู่กลางอกจิตเสื่อมเจ้าคะ่ะท่าน แก้ด้วยพุทธโธแล้วรู้สึกแน่นเจ้าค่ะแต่เวลาไม่พุทธโธจะไม่แน่นเจ้าค่ะนั่งดูลมธรรมดาธรรมดางจะสบายแล้วมีลมเหมือนน้ำพุเย็นๆพุ่งขึ้นเหนือสะดือเจ้าค่ะแต่พอบริกรรมมันเหมือนแน่นๆแล้วตัวบีบเข้าเจ้าค่ะเลยบริกรรมบ้างดูลมเย็นๆที่กระทบท้องบ้างเจ้าค่ะขอคำแนะนาเจ้าค่ะ ก็ใช้วิธีที่มันได้ผลก็แล้วกันถ้าบริกรรมไม่ได้ผลก็ไม่ต้องบริกรรมใช้ดูลมไปหรือถ้าเวลามีการเดินก็ดูเท้าไปเดินตรงกลมเดินทําอะไรแล้วก็ดูเท้าไปหรือเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วก็ดูการกระทำของร่างกายไปก็ได้คำถามสุดท้ายจากคุณบุตรกปรัรบนมาสการพระอาจารย์ อยากกราบเรียนการปฏิบัติธรรมบนเขาที่วัดพระอาจารย์จะต้องติดต่ออย่างไรครับเป็นผู้ชายนะเจ้าค่ะเป็นผู้ชายก็ต้องติดต่อกับภ้าที่บนเขาเนะี่รื่อาก็ไม่เราจาไม่ได้คเขาคุณลามีเบอร์มีอะไรหรือเปล่าที่ให้เขาได้คำ ถ, ถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคก็คือว่า